เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถททามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตทิทานสิงภาวนาท่า น, ท, านที่สนใจก็เชิญเข้ามาร่วมสนทนากันได้ทีนี้จะเอาเด็กๆออกก่อนจะได้ไม่ต้องรอเด็กมนไปันแรกก็คือชริสาจาก ญี่ปุ่นหามาเลยเต็มเลยวัน น, วนี้กราบค่ะพระอาจารย์กร<ช>าบธรรมะการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพระอาจารย์สวัสดีค่ะเป็นยังไงรอนานไหมวันนี้ไม่นานใช่ไหมไม่นานค่ะพระอาจารย์เพิ่งกลับมาจากข้างนอกพอดีเลยค่ะเด็กรีออบกลับมามาเวลาจะถามให้วันนี้เดี๋ยวจะถาม้ระาจารย์ไหมคะเ ด, ดาาี๋ยวจะทํามว่า เป็นเด็กดีหรือเปล่าเป็นเด็กดีค่ะเป็นเด็กดีนะครับดีมากเด็กดียังมีความสุขนะถ้าเด็กไม่ดีจะทุกข์น ะ, ะถ้าไม่อยากจะทุกขก็ต้องมีเป็นเด็กดีครับอาจารย์าจะพูดว่าใช่ไหมครับน้องแล้วน้องมีอะไรจะถามอาจารย์นะที่น้องที่น้องถามมามีมีมีแี่ข้อหนอ่งถามมาเลยอ่าน้องถา ม, มาอ า, มาจารย์ครับถามว่าอะไรข้อห นั่นนี่แคอหนึ่งครับข้ออะไรคะข้อข้ว่าเป็นเด็กดีอ๋อน้องอยากบอกพระอาจารย์ว่าน้องเป็นเด็กดีแค่นี้ใช่ไหมโอเคโอเคดีมากขอให้น้องเป็นเด็กดีนะน้องจะได้มีความสุขมากๆนะใช่ไหมคะน้องอยากน้องบอกว่าน้องอยากเป็นคนดีน้องอยากเป็นิพพานครับอ่านด้ละนิพพานต้องคนดีถึงไปนิพพานได้นะคนไม่ดีไปนิพพานไม่ได้นะ เข้เาใจไหมเข้าใจไหคะคือแบบทีแล้วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมค ะ, ะแกล้งเพื่อนไปไม่พานไม่ได้ต้องช่วยเพื่อนมันทําให้เพื่อนมีความสุขน ะ, ะ อ, อ, อย่าไปทําให้เขาเสียใจทําให้เขาโกรธโอเคไหมคะก็ทำให้เพืมีความสุขเ น, นยทําให้ตป็นคนใจเย็นอ๋อโ <นะ S 2> อเคมิด อยพระอาจารย์บอกว่าให้ทำให้ทุกคนมีความสุขเชื่อใ<น>จเป็นหนูจะเป็นคนดีหนูจะได้ไปนิพพานได้นะโอเคไหมเย่โอเคนะแม่มีไ like ร<พ>บ่ามีค่ะพระอาจารย์ที่เขาบอกว่าอานั่งสมาธิไปใช่ไหมคะพอจิตเรานิ่งเสร็จแล้วพุทโธพุทโธพอพุทโธหายไปเราให้ตามดูจิตอันนี้หมายความว่ายังไงอะคะพระอาจารย์ ก็พูดไปดูเรื่องอะไรไปตามดูจิตทำไมจิตมันไม่เราต้องการหยุดจิตไม่ต้องการไปตามดูมันเราตามดูจิตก็ดูความคิดดูความคิดก็ไม่ก็ไม่นั่งสมาธิเขาเนี่ยัหนอ๋อเขาจะไปนั่งวิปัสนาไปนั่งวิปัสนาโดยไม่มีสมาธิก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะหยุดหยุดจิตไม่ได้เพราะจิตเป็นทางกิเลสก็หยุดมันไม่ได้ อ่าคื อ, อจิตนี่คือกดจิตใช่ไหมคะรับเขาพูดความว่าดูจิตก็ดูความคิดของจิตเไงอ๋อดูความคิดดูอารมณ์ดูความโลภโกรธหลองไงดูจิตที<อ>นี้าเราถ้าเราหยุดจิตไม่ได้เราไปดูมันเวลามลันโนลภเราก็หยุดมันไม่ได้เวลาโกรธ็หยุดมันไม่ได้ก่ อ, อ, นนอนจะก่อนจะไปดูจิตได้ต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนต้องหยุดจิตให้ได้ก่อน ทำจิตให้นิ่งเป็นโอเบรคายให้ได้แล้วไม่ใช่ดูจิตตอนที่นั่งสมาธิดูจิตตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วพอออกจากสมาธิมาพอ อ, อยากจะไปดูหนังต้องดูอะไรก็ต้องหยุดมันทันงทีอาจารย์ว่าอาจารย์ถ้าสมมุติตว่าแปลว่าว่าถ้าเวลาเรานั่งนั่งไปแล้วเอ่อ ตัวมันเองไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะโดยที่โดยที่เราไม่ทราบว่ามันมั น, ม เ, นเองไปไ<ร>ตอนไ ม, ไม่ไม่เวลาถ้าเราล่นั่งสมาธิไม่ต้องไปสนใจเรื่องร่างกายให้สนใจอยู่กับโลมหรือดพุทโธที่เราใช้เป็นเป็นงานงานที่เราภาวนาอยูอ๋อไม่ใช่หมายความว่าสติเราเราไม่มั่นคง <c oughs> ใช่ไห ม, มก็นม่ก็หมายหมายเราก็ไม่มั่นคงอยู่แล้วนะทั้งการมันก็เป็นธรรมดาร่างกายที่เราเอบ้างเอนซ้ายเอนขวาเอนหน้าอื่นอื่น แต่อย่าทำอย่าไปสนใจมันเพราะมันจะทําให้เราเสียสมาธิใจเราจะไม่ได้อยู่กับพุทโธจะไม่ได้อยู่กับลมหายใจแล้วมันจะไม่สงบเวลาหน้ามันไม่ต้องไปสนใจร่างกายมันจะเอ็นบ้างนั่นก็เรื่องนู่นค่ะใช่คอาจารย์อาใจแล้วนะเข้าใจแล้ค่ะอาจารย์มันคันก็อย่าไปเกาน้ำลายมันจะไหลก็อย่าไปเกินปล่อยให้มันไหลไป ไม่ลไม่สนใจไม่สนใจถ้าใช้พูดทัวก็พูดทัวไปไม่สนใจเรื่องอื่นถ้ า, าดูลมลก็ดูลมไปไม่สนใจเรื่องอื่นใดนี่คืวิธีฝึกสมาธินะเราไปทำดูค่ะพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งคะ่ะเวลาเดินจงกรมเนี่ยหากเรานึกพุดทัวในใจเราต้องกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยไหมคะ ถ้าเราใช้พูดโธรก็ไม่ต้องไม่ต้องดูก็ได้แต่แล้วเราก็ต้องดูทางที่เราเดินว่าเราเดินไปทไปิงไป น, นะมีอะไรขวางทางข้างหน้าหรือเปล่าเดินไปสุดทางเราก็ต้องเรียบกับก็ต้องดูไปด้วยดูล่างกายไปด้วยแล้วก็พูดโธรไปด้วยก็ได้หรือถ้าเราจะดูอย่างเดียวไม่พูดโธรก็ได้แต่เราทางต้องดูทางดูการเดิ น, ด น, น, นกไม่งั้นเดินแล้ว ล, ล้มขึ้นมาเดินไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ไปเตะนู่นเตะนี้ครับ คืองคุณก็จะไม่หงุดนะเพ่าคว่าเด็กก็ชัานแดดกนไงน้องคุณร่วงนะรูปแย่บยวายเผลอค่ะพระอาจารย์อใจไหมเนีเวลาเดินชมกบก็เดินเดินไปพูโทัว์พูทั์ไปแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเรากำลังเดินไปข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรอืงค่ะ แต่ถ้าถ้าไม่ไม่ใช้พูดโทรดูดูอย่างเดียวก็ได้นะดูซ้ายขวาซ้ายขวาไปดูว่าร่างกายมันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนคือปล่อยปล่อยจิตก็ดดููไปตามอย่าปล่อยให้จิตไปที่อื่นให้มันอยู่กับร่างกายให้อยู่กับเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปเหมือนเหมือนฝึกเดินทหารเนี่ยซายขวาซ้ายขวาไปอืม เมื่อเมื่อวันอาทิตย์นะค่ะที่พระจะที่มีคนทางบ้านถามแล้วพระอาจารย์ตอบคาถามท่านหนึ่งว่าหากคิดอะไรก็ให้ท่องพุโทโธพุโทโธไปเพื่อให้หยุดคิดแต่ถ้าหยุดคิดแล้วจะไม่ท่องพุโทโธต่อก็ได้หมายความว่าทําใจว่างๆเฉยๆไปใช่ไหมคะใช่พุโทโธก็เพื่อหยุดความคิดนี่หมายถึงตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธินะแต่เวลานั่งสมาธินี่ต้องพุโทโธไปจนกว่าจิตมันจะรวมมันจะเด็ง ต, งตงกลงหยัที่สูง ม, มา ค่ะการทำใจว่างๆเฉยๆนี้มันไม่ใช่อาการเหมือใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ให้รู้ตัวตลอดเวลาไม่หมืองเวลาเราตัวตลอดเพลเนี่ยเราไม่คิดถึงคนนั้นคนที่ไม่ไปก็ <c oughs> ไม่ิดอกไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องที่เราใจเราว่างแล้วก็ทำอะไรต่างๆเราเป็นยานีเรื่อสติ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้เด็กกวนข้านะับเขานะ ไปที่แจตีกจะแม่กับแจตี้ต่อทางมรดกการพระจังครับอันนี้ถึงอังกฤษแล้วเหรอเห็นไหมครับอ่าดีไหมดีใจไหมามกดีหน้ามากเลยได้ไปไหนได้ยังได้ออกไปข้างนอกขึ้นไปที่ไหนมาไหนได้อย่างออกออกไปข้างนอกครับเจอโครงกระดูกเพียบเลยครับเออเห็นแต่โครงกระดูกนะ ครับดีเหมือนกันใช่ไหมโกก้าดูครับแ ต, แต่ที่นี่เห็นงาน่ายกว่าครับทำไมล่ะผมคนที่นี่นนนเขาผอมคนที่พี่ฟร์มเลยคเพว่าคนที่จะอ้วนนี่นะครับก็ก็คือ ค, คนที่นี่เขาเห็นได้งา่ายกว่าครับหน้าใช่ไหมโอเมีอะไรไหมวันนี้อันนี้ไม่มีครับ การการที่สองผสมใช่ไหมการที่สองผสมเลยครัูผมคนเล็บปันหลังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับขังผื่ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลือน้ำเลือดน้ำเนี่ย น้ำมันค like um ้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำไข่ขอน้ำมูดน้ำมูดน้ำเข่ขอน้ำมูกน้ำลายเ๋ยวน้ำตาลนน้ำเนือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้เสด็นน้ำดีเยื่แในสมองศีสันอาหารเก่าอาหารหม่ใช้น้อยใส้ใหญ่ ปอดได้ผังผืดสับหัวใจม้ามอยู่ในกระดูกเกินกระดูกเอ็นในหนังปันเล็บขนผมอ่าแล้วเราเกิดมาแล้วเป็นยังไงเนอาการฟังเียงเราเกิดมาแล้วต้องนามว่ามาต้องเกิดมาแล้วต้องแกเป็นธรรมดาเรื ด้องแผ่ เ, เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาต้องพัฒนาจากการเป็นธรรมดาลืมละ<ถ>ตอนนี้ค่ามทเท่าหน่อนะอรายังนั่งสมาธิกันอยู่ว่าเปล่ก่อนนอนช่วงนี้ช่วงนี้เพย์ได้นั่งเลยครับยังยังปรับตัวกันอยู่เลยค่ะเวลามันต่างกันยังงงนอนงงค่ะโอเค อยู่นานไหมเดือนหนึ่นนคงค่ะเดือนหนึน่โอเคอย่าลนะปรับตัวนะแล้วก็ต้องทำเหมือนกับอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บระเทไท น, นะ <c oughs> โอเคมีอะไรไหมไมมีเลยครับอเไม่มี้นแ่มีไรล่รไม่มีค่ะโอเคไม่มีงั้นก็ท้ามไปที่ฮอลแลนต่อ ขอบคุณพระอาจารย์ครับอยู่ใกล้ๆมลยไปเยี่ยมตะวันบ้างเนี่ยตะวันอยู่ที่ชิโอลเนี่ยแอมสต์ดาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเนก็อยู่นอร์เวย์เราติดต่อกันดูนะหรือไปเยี่ยมกันก็ได้แลอวตะวันอยากจะเจอจัะจะมากับแจสตี้ไหมตะวันอ๋ออืม ก็ได้ครับก็ได้เดี๋ยวต้องส่งคำเชิญไปนะหนูไม่อยากเชิญเนื้อส่งงานเรื่อยเนื้อส่งงานเรื่อยไค่ะคือมีเวลาว่างอยากจะไปเที่ยวออสเตรเลียหรือ่าอยากจะไปเที่ยวอังกฤษข้ามมาคล้วกายกายเขาบอกใกล้ๆยนิดเดียวเนี่ยคำเดียวมั้งเขาฝ่ายเดียวเองค่ะอาจารย์ใช่ค่ะโอเควันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ไม่มีคำถามครับ เ <c oughs> นี่ยคือนี่อุตส า, ออากตหกรรมที่เด็กๆก่อนนล่วเนี่ยเอาไมีมีมั้มีการบ้านมาสง่งครั้งที่แล้วเออชอยมีคพรออับวันนี้ว่าอะไร <c oughs> อ๋อเข้ามาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆจอห น, <c oughs> น่อยเห็นให้อาจารย์เห็นรกนะที่นั่งเก๋เดี๋ย้เป็นพานึง อ่อภาพาปอดนะัวในแล้วก็มีเส้นเลือดค่ะภาพวาดเส้นเลือดมีปอดมีหัวใจมีตับใช่ไหมครับใชครับมมีอะไรอีกลำไส่เห็นมีลำไส้ลำไส้ลำไส้ลำไส้ไม่ค่อยเหมือนกนเลยแต่ยุคขยุยทำภาพวา่ทำภาพวาดมันข้างล่างจะเหมือนกว่ามากอันน่้อันนี้เส้นเลือดอ๋อเส้นเลือดค่ะ โอเคก็โอเคเก่งมากสวยมากในกอกรดูกกลางที่เทีมนอนไม่เอามาจากที่ไหนจากอินเทอร์เน็ตนะมาจากไหนมีหนังสือมีนังซูจีฮันโซักแวขออนุญาตพระจารนะคะทให้ดูนัสืนี่ค่ะอันนี้ค่ะอระจารย์ขาเขภาาชชื้อภาษาแต่เขาอ่านจบแล้วค่ะพจารย์มันเป็นกายวิภาคนะคะจะมีพวก เส้นเลือดอะไรแบบนี้ยค่ะอาจารย์อล้วก็มีผ้าเนี่ยค่ะโอเคดีเดี๋ยวเล่ไปป ะ, ะนี่คือดี่คือร่างกายของพวเราทุกคนนะร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ข้างนอกก็ดูสวยแต่ข้างในแล้วก็ไม่สวยแล้วใช่ค่ะมีอะไรไหมเออเล่นเบียร์ไหมเอาใช่มองคุเป็นล่าเอ่อ มันมันก็มีเพื่อนที่พูดแล้วเขาดื่ม เ, เบียร์แต่ไั่สุ่มโปรุมโปรเซ็นตแต่ทุกคนไม่รู้หรือว่ามันมีแอลกอฮอล์อยู่อยู่ไหมหว่าไม่อยู่แล้วแล้วบาดไหมแล้วมันบาดไหมเราดื่มเราดืด่มเบียร์เนี่ยเบียร์ศูนยเอร์เซ็นต์ะคะพอดี เ, อเข า, เาใช่ค่ะเขาได้ยินจากเพืเ่อนมานะคะว่าเพื่อนเขาดื่มเป็นแอลกอฮอล์ศูอร์เ็นตเอร์เซ็ต์ก็ไม่แอลกอฮอก็ดื่มได้ ใช่ไหมศูนเปอร์เซ็นต์ซูก้าร์ก็ศูนเซนแอลกอฮอล์อันนี้คือโยมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนจะคุ้นคุ้นมาเคยอ่านบทความนะคะที่เขาวิจัยว่าศูนย์จริงๆแต่ว่ามันจะยังมีเหลือสักนิดนะคะพระอาจารย์ไม่ไม่ร้อยเปอร์เ็นต์ะคะที่ที่หบที่หมดไปนะคะคยจะคงจะนั่งลงได้ถ้าถ้าเกยนแล้วไม่ไม่เหมาะไม่มียาการไม่เหมาะก้นค่ะแต่ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเตอมมันติกว่า เดินนำผลไม้มีประโยชน์ของอาจารย์เดินของนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายนีกว่าอยากไปเดิมเพิ่มความสุขเพราะได้ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของมัน่ะอบริโภคอะไรคิดถึงประโยชน์ของร่างกายนีกว่าถ้าประโยชน์ของกิเลสอย่าไปทำถ้าทำเพื่อกิเลสอย่าทําำเพื่อร่างกายทําได้การเดิมการกินอะไรให้คิดถึงประโยชน์ของร่างกาย อย่าไปประโยชน์จากความรักความชอบลูกเสียงกลิ่นต่างๆอันนั้นเป็นกิเลสถ้ามันจะติดเวลาไม่มีกลิ่นมันจะทุกข์เวลามันไม่มีเดิมมันจะทุกข์อย่าไปติดอะไรถ้ากินแล้วรู้สึกว่าติดต้องหันเดิกต้องหยุดเดิกหยุดสักพัหนึ่งเช่นกาแฟนี่้ต้องดื่มทุกวันนี้ต้องลองหยุดบ้างะนะนะ นี่แะคือการติดรูปเสียงกินรสได้ไม่รู้ตัวถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติเราต้องเอาชนะการมาฉันทะความยินดีในรูปเสียงกินรสที่มาในรูปแบบต่างๆในรูปแบบเครื่องหนึ่งในรูปแบบอาหารในรูปแบบที่เราดูที่เราได้ยินได้ฟังเป็นการมาฉันทะความยินยินดีในรูปเสียงกินรสมันจะเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิจะนั่งไม่ได้นา ค่ะเรื่องเรื่องรสชาตินี่จะยากสําหรับโยมค่ะภาษาแต่เรื่องดูทีวีหรือว่าเรื่องฟังเพลงนี่คือโยมไม่เอาแล้วคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องรสชาติอาหารโยมยังติดอยู่มากก็ล้ <c oughs> อมคลุกอาหารทั้งมือดูเลยเหมืออาหารที่จะเอาไปรวมกันในท้องนี่ก็เอามารวมกันในจานก่อนค่ะไม่ต้องไปแยกเหมือนไม่ต้องไปแยกว่าอันนี้ก่อนอันนี้หลังเอามาเอามาคลุกันในในในจานเลยในชามก็ได้นะเอากินดูเสมอหนึ่ง ดันได้ใช่กินเองต้อกินก็ื่านังกายไม่ได้กินเพื่อกินเองค่ะต่อไปเราจะอยู่ง่ายกินง่ายไปที่ไหนมีอะไรกินก็กินได้อย่างนั้นต้องคอยเลือกอาหารเลือกร้านอาหารที่จะไปกินด้วยบางคนต้องคอยดูเปิดหนังสือมิชลินสามดาวอยู่ที่ไหนเดินทางไปเป็น ก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นว่าบางทีจานที่เราทานอาหารเนี่ยเสร็จปุ๊บทานของหวานหรืออะไรก็คือจานเดียวไปเลยไม่ต้องไปล้างแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อนไไปด้อย่างเมื่อก่อนก็ติดอยู่นะคะบางทีทานนมเสร็จปุ๊บต้องไปล้างก่อนแล้วค่อยมาใส่น้ำผึ้งแบบนี้ก็แก้วเดียวหรือว่าจานเดียวก็เสร็จเสร็จสักนี่ค่ะพาจารย์ในท้องเรามันมีที่แยากก็แบบว่านมอยู่ช่องหนึ่งอาหารอยู่ช่องหนึ่งมันมีที่ยกกกว่าไม่มีใช่ไหม มันก็ไปรวมมันก็ไปรวมอยู่ที่เดียวกันหมดนั้นนะก็รวมมาในชามก็ได้ในจานที่เรากินอะไรก็ค่ะเราจะนั่งกินเสร็จสักวันอยู่ได้กลัวอะไรมันคบางทีอยู่อยู่บ้านเราทําตามใจแบบเนี้ก็ได้บางทีไปบ้านออย่างบางทีไปบ้านอ่าคุณย่าแบบนี้ค่ะคุณย่าคือทำไมไลาเป็นธรรมเนียมของเขาถ้าไปบ้านก็หรือเนาอย่าเวไม่เราอย่าไปปฏิบัติ นี่หมายถึงเวลาที่เราอยู่เราตามใจเขาใช่ไหมคะเอแล้วต้องมีบรรยาอางนี้ต้องมีบารยแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวมก็อย่าไปบังคับสามีกับลูกให้ทําตามเราด้วยอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเขาเห็นเราทาแล้วก็อยากจะทําด้วยก็ไม่ว่าเลยขอบคุณค่ะก็พยานทองตัวเป็นอีเสี่ยวอย่างที่พระอาจารให้คับบ้านมาค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมขอบคุณค่ะ พระอาจารย์คะคืออโยมอยากจะขอเข้ามาพระอาจารย์นะคะคือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคะ่ะอที่ว่าหน้าจอมันดับไปแล้วทีนี้เวลาคุยกับพระอาจารย์เนี่ยโยมเผลอพูดแทรกพูดทับพระอาจารย์ไปนะคะก็คือโยมอยากจะขอเข้ามาพร ะ, าะอาจารย์ค่ะไม่เป็นไรเพราะยังไม่ได้เห็นเราข<อ>นาดว่าพูดอย่างตอนแรกโยมก <ยม S 1> <ด>็ไม่ทราบพอดีทุกครั้งหลังจากจบมิทติ้งโยมก็จะไปดูอีกรอบหนึ่งพอดีเห็นก็เลยไม่รู้สึกไม่สบายใจอาจา ไม่ไม่มีปัญหาอะหรอกมีเท่านี้ใช่มีเท่านี้ค่ะพรจาน์เก็บว้สัปดาห์หน้ามากค่ะคำถามโค่ะอค่ะที่เด็ดเ่อไปเด็ดทองนโมเกตขวล้วเนี่ยเมื่อวันดี่มาที่ผ่านมา14แล้วครับพรจัน์เป็นเพียงได้เจอแล้วผิดสองที่แล้วอย่างออย่ามาใจอย่าพึ่งเลยครับ พอทีไงพ่อทีครับอขอเป็นเด็กของพ่ะอาจารย์ต่อไปก่อนครับ <c oughs> <c oughs> พ่ออาจารย์พ่ออาจารย์กับเพียนต่อเ น, นื่องครับแล้วก็ <c oughs> วันนี้คุณยายพูดตั้งแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเลยหลังจากสูมาอาจารย์เสร็จบอกว่าเอามาอีกนะเอาคราวนี้เอาฉันเข้าด้วยอาทิตย์จริงจะถึงเนี่ยเอามาด้วยเอามาด้วยแล้วพูดย้ำตลอดวันนี้ โอ้ผมเดินเข้ามาในห้อง พ, พระพรจันท์เจอคุณยายนั่งรออยู่แล้ว <c oughs> ผมเลยแซวคุณยายว่าไม่เปิดซูมเองไหม ล, ละ่ะท <c oughs> ํ า, <c oughs> าทไม่ถูกครับอ <c oughs> ีน้อยต้หันให้คุณโยให้คุณยายเปิดเองให้ได้เออน้ำโมไม้อยู่คุณยายจะได้เปิดเดข้ามาได้เม่ไหรก่อนยายทําได้ตอนนี้ทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยคไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่รู้ อ, นะ อ, อะไร <c oughs> ต้องก <c oughs> ็อะไร <c oughs> ไม่รู้ น้องอาจารย์น้องอาจารย์ครับอาจารย์แล้วก็มีอยู่วันหนึงกลับมาจากบ้านเหนื่อยมากเลยครับอาจารย์ทั้งต้องพิจารณาทรทั้งต้องเรียนคราวนี้กลับมาถึงบ้านเดินขึ้นมาเจอคุณยายนั่งดูอาจารย์เอยู่ผมก็หายเหนื่อยครับอาจารย์รีบฟ้าโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปส่งให้นาฬิกาครับโอเคอากาสาทุมากเลยครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยคุณยายผมจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ ก็เพราะเรานี่แหละเราทําเป็นตัวอย่างครับอาจารย์าาาาาาทำเป็นตัวอย่างที่ดีคนอื่นเขาเห็นเขาก็ตามตัวตามตัวตามแบบฉบับเราครับอาจารย์แล้ ว, ว, ว, ว, ว, วาาาลก็อาการสามที่สองครับอาจารย์ตอนนี้พอฝึกท่อง ตอนนี้มันเริ่มได้แล้วเราเราก็ไปดูที่มันเป็นบทสวดที่มันมีบาลีด้วยเราก็ลองฝึกท่องดูเผื่อว่าวันไหนที่เราจะไปสวดมนต์บทนี้อะไรเงี้ยแล้วพอดีคุณยายก่อนนอนก็เปิดทีวีเป็นละครครับอาจารย์แล้วมันเป็นเรื่องคือมันมีพระเอกเป็นหมอหลวงเนี้ยแล้วเขาก็กําลังเรียนอยู่แล้วเขาก็เรียนเป็นผักอวัยวะร่างกายเป็นภาษาโบราณครับอาจารย <c oughs> ์คราวนี้ก็คราวนี้ก็สบายเลย อยู่ยหมอเขาบอกโอ้ยคนไข้เป็นโรคมัทเกะมัทหลุมคังออก็อ้าวเยื่อในสมองเราแบบนี้อืียตลกมากเลยครับแล้วเขาก็บอกผมขนเล็บฟันหนังหเอ้าเนี่ยก็เรียนอาการจารีบจับนะเนี่ยนึกในใจเรียนเหมือนกันเลยเนี่ยหมอก็ต้องเรียนแม่แม่เห็นโอกาสแม่เลยบอกนโมเป็นหมอให้ได้นะจะได้เรียนอ า, อาจารย์ครับผม ตลกมากเลยครับมั น, นก็มันตลกตรงที่ว่าพอเขาพูดว่าเป็นโรคมทัเทเตียมัทนุนคังผมอ้าวเป็นเยื่อในสมองเหรอใหายเขาก็ขาผูใจ่เลยครับอาจารย์แล้วก็พออยู่โรงเรียนก็ต่อสู้กับฟันต่อสู้กับทุกอารมณ์ด้วยทั้งคําบริกรรมและทั้งด้วยความรู้สึกตัวมันก็นะครับสัพพุญย์ก็มาจากภาษาบาลีนะใช่ครับอาจารย์แล้วก็ ภาคฤษาภาโรมานครับอ า, าบจารย์แล้วก็เมื่อคืนก่อนอยังแอบเปิดดูเลยว่าเอ๊ะเขามีใน YouTube น่าจะมีสอนบาลีสัสกิจนะหน้าเรียนผมก็ไปแอบเปิดดูนิดนึงแต่ว่าจะลองเรียนดูครับอาจารย์เผื่อจะทำให้เข้าใจประสูอะไรง่ายขึ้นบ้างความจริงถ้ามันไม่เป็นทำให้เราเสียเวลากับการปฏิบัตินักก็เรียนได้แต่ถ้ามันเาเวลาการปฏิบัติไปก็อยากไปเรีนดีกว่าไม่จาเป็นจะต้องรู้หร ครับอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ผมปฏิบัติแบบไม่มีรูปแบบแล้วครับอาจารย์เพราะว่าอารมณ์อกุศลมันมาตอนไม่มีไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ตอนเดินจงกรมมันมาตอนที่เราไม่มีสติมันก็มันก็อัดฟันต่อสู้เดียวเลยครับพระอาจารย์เมื่อไหร่ที่ไม่เพียรเมื่อนั้นมันจะมาครับอาจารย์อันน่ะสติเป็นตัวสำคัญมากต้องรักษาระดับสติไว้ไม่ไม่หย่อนย่อนยาน ครับอาจารย์แล้วก็ยอมหยุดเย็นยิ้มของพระอาจารย์ใช้ได้ดีมากเลยครับอา mm hmm. จารย mm ์ hmm. เวลาล่าสุดมีเคสที่ว่ามีเพื่อนเขามาว่าผมแล้วครูได้ยินอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้ว mm hmm. มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเพื่อนคนนั้นพยายามจะบิดเบือนอย่างเงี้ยเราก็ไม่เออเขาก็บิดเบือนเขาก็พยายามหนีความผิดเราก็ยอมหยุดเย็นแล้วก็ยิ mm ้ม hmm. <laughs> ครับแล้วก็พอเขาเห็นเรายิ้มเขาเหมือน ร้อนตัวอาจารย์เขาเหมือนคิดว่าเรามีหลักฐานอะไรเตรียมพร้อมฟ้องคู่ <c oughs> ดได้เขาก็โอ้โหอาการออกจนสุดท้ายคุณครูก็รู้ว่าเขาทําจริงครั บ, รบอาจารย์ น, นั่นแหละบางทีมันปรากดของมันขึ้นมาเองนะแล้วไม่ต้องไปทําอะไรหรอกปล่อยให้เป็นเวรเป็นกรรมของคนอย่ทําไปก็พอใช่เราก็ไม่ไปอาภายเขาครับามไม่อภัยไม่เป็นจองเวรไม่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันครับผม าาอาจารย์ก็เอาโหิกรรมไปครับ<ช>แต่ว่าไม่ว่าเขาจะแอบคิดลึกๆในใจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนไม่ใช่เรื่องของเราต้อนให้ใจเราให้ใจเราสุขให้ใจเรายิ้มได้ครับครครับอาจารย์ต่อไปนี้ผมจะยิ้มให้ได้ตลอดเลยครับอาจารย์ไม่มีเหตุเราจะต้องเศร้าตามเศร้าก่อจากที่เรียครับอาจารย์ คามยิ้มนี่เกิดจากธรรมะใครมีธรรมะจะยิ้มได้ทั้งวันครับอาจารย์แล้วก็พอพิจารณาข้อธรรมเนี่ยไปเรื่อยๆทั้งของครูพ่อแม่ครูอาจารย์ของพระอาจารย์เนี้ยครเวลาอ่านผมก็มานั่งพิจารณาตลอดตลอดเพราะพิจารนามันสนุกครับอาจารย์แล้วผมก็ไปดูอ๋อที่แท้อีกคาว่าสนุกเนี่ยที่เราได้พิจารณาข้อธรรมมันคือเป็นคนล่าเลิงในธรรมอย่างเงี้ยครับอาจารย์เอ อาจารย์ก็จะปฏิบัติต่อเนื่องให้ได้ครับผมว่าอาจารย์ผมจะเอาให้ได้จะเอาวันรุให้ได้เมจะอนิพันให้ได้ครับผมว่าอาจารย์เออเอาสติให้ได้ก่อนสติยังไม่มีเลยครับครัะอาจารย์ผมจะเอาทุกอย่างมาให้ได้โอเคครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยายสุขสบายนะอแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะ อโอเคไปนี่คือหมอพิเชษเชี่ยคหอหอไนี่ช้าหน่อยนะคุณหมอเริ่มแล้วก็จัดะะกา ร, ร, าารครับฟังฟังแล้วก็ดีครับเปลื่อนดูเด็กๆแต่ละคนก็น่ารักครับอาจารย์ อ, อันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายธรรมชาติของใจครับพระอาจารยธรรา์ธรรมชาติของใจก็นี่แหละนามอคัน น, นี่คือธรรมชาติ คนละคนละสมบัติของใจก็มีอยู่สีคือมีเวทนาสัญญาสังขตรอันหนาเวทนาคือความรู้สึกใจในความสามารถที่จะรู้สึกสุขสุสัญญาก็สามารถจําได้หมายรูกจําเรื่องต่างๆได้เห็นอะไรก็รู้ว่าเป็นเห็นเป็นนกเป็นอะไรเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นภูเขาเหนเ็นอะไรนี่ การเป็นความสามารถสูกใจสั้งขาไก็คิดได้ด้วยคิดว่าจะทําอะไรดีทำกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างไรดีแั้นวิญญาณนี้ก็สามารถไปเกาะติด ก, กับตาของจมูกมิ้งกายของร่างกายได้เพาการที่จะรับรูปสิ่งกินเราต้องอาสายวิญญาณนี้ไปไปไ ป, ไปติดแม่นกัเสียงปั๊บนะการที่เราจะเปิดทีวีได้เราต้องเสียงปั๊บก่อน เสียบปั้งมาไฟก็จะได้วิ่งเข้าเครื่องเทียมที่เราใจจะห็รูปเสียงกลิ่นรดผลจะพลาดได้ใจต้องมีวิญญาณวิญญาณความสามารถที่จะไปเกาะที่ตาจมุนขึ้นกายพอวิญญาณต่อะพังพอตามลืมตาขึ้นสัมผัสกับรูปรูปมันก็จะเข้ามาผานาาวิญญาต่อมาที่ใจเข้ามาที่สัญญาก่อนสัญญาก็จะวิเคราะห์ว่าเป็นรูปอะไรรูปไทย คนนี้เคยเห็นนู้นเคยรู้จักหรือเปล่าอ่านญาณว่าญาณทําหน้าที่พอรู้ว่าเป็นใครหรือว่าดีไม่ดีก็เกิดเวทนาขึ้นมาถ้าดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้ากลางกไม่ดีไม่ชั่วก็เกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดเวทนาขึ้นมาก็ก็เกิดสังขารครับคิดขึ้นมาว่าควรจะทํำยังไงนี่ก็อยาก อยากได้ถ้าถ้าเป็นศพเวทนาก็อยากได้อยาให้ให้ให้อยู่นานๆถ้าเจอทุกขเวทนาก็อยากจะให้บัรหายไปนี่นี้คือธรรมชาติของใจทําหน้าที่อย่างนี้อื ม, มมันไปทําว่ามันแต่ปัญหาคือปัญหาของใจอยู่ตรงที่ว่ามันไปหลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่มันไปรับรู้หรือไปสัมผัสไปครอบครอเป็นตัวมันไป เป็นตัวเป็นตัวตนช่นพเป็นเป็นในร่างกายมาก็ไปยึดไปติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตัวตั ว, ตวเราของเราพอมาอะไรเป็นตัวของเป็นของเราก็ลากหวงสรความยึดมั่นยึดติดไม่ต้องการให้มันจากไปะทุกอย่างที่ได้มามันจะต้องจากไปเพราะมันเป็นของชั่วคราวมันก็เลยทุกเนี่ยทุกเพราะว่า มันไม่อยากให้ของชั่วคราวเป็นมันอยากให้เป็นของถาวรแต่ไม่มีอะไรถาวร น, นี่เรามาแก้ตัวเนี่แก้ความหลงที่ไปไปยึดเป็นติดไปถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราไม่แต่ความคิดเวทนาสัญญาสานขานก็ไม่ใช่เราไม่มีตัวเราเมันเป็นตัวทําธรรมชาติที่ทําหน้าที่ของมันอ น, นี่ค่ะในเคยเรามาฝึกสอนใจไม่มีผู้รู้มีก่อนยังไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้คิดมีแต่ความคิ ด, ม, ค ม, ค ด, ม, ค ม, ดมีแต่ความรู้มีแต่ความจาได้มีแต่การรับรู้รูปเสียงเห็นวัตเป็นฟังก์ชันเป็นเหมือนภษาเรียกฟังก์ชันในการกระทําหน้าที่ของของธรรมชาตินี้ที่มามามากับใจใจก็เป็นตัวรู้อีกทีหนึ่ง รู้รู้รู้สิงรู้เก่งรู้ลดรู้รู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารทีตอนนี้เราเป็นตัวรู้ตัวรู้นี่ไม่มีไม่ไม่มีการเกิดการดับสต่เวทนาสัญญาสังข า, ารมิยามมีการดับมัเดดบมนเกิดดับมาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคิดเัืงนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นสิ่งนั้นและได้รับรู้สิ่งนั้นแล้วก็รับรู้สิ่งนี้รับไปเปลนไปอยู่เรื่อย แต่เวลามาฝึกสมาธิทำใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธมันก็หยุดการทางานของเนธนาสัญญาสังขารมีญาไม่ชัว่วข่าวดัง น, นั้นจิตก็เลยแต่ตัวรู้ตัวเดียวโยสแต่ว่าราู้แล้วก็เกิดความสง บ, บน่งเย็นสบายมีความสุขนั่นคือจุดที่เราต้องการจะไปกันก็คือความสุขใจคือที่เกิดจากการหยุดนิ่งของนามาขันนันสี วิทยาัญญาทางก า, งงางยวิญญาณแต่มันไม่หยุดได้อย่างตลอดเวลานะเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหยุดได้เดียวมันก็เริ่มทํางานไปเอาสมาธได้ทั้งค้าหรือเราเริ่มทํางานไปนพอมันออกมาจากสมาธิก็เรามาค่อยเปลี่ยนความคิดใหม่ความเห็นใหม่ว่าไม่มีอะไรเป็นเราของมต่างๆร่างกายไม่ใช่เราบ้านไม่ใช่เรา อันรยาสามีไม่ใช่ของเราเป็นของเราช่วคราวทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเหมือนของยืมเข้ามาวันใดวันหนึ่งก็ต้องคืนคืนเจ้าของไปคืนจิตให้ปล่อยวางอันนี้จิตหลงไปยึดไปติดกับทุกอย่างที่มันไปไปครอบครองไปไปมีมันก็ทำให้มันทุกข์ ถ้ามันอยากจะไม่มีความทุกข์ก็ต้องไม่ไปยื่นไปติดไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับมันเพราะความสุขที่มันมีอยู่ในใจมันดีกว่าอยู่แล้วคือความสงบแต่ถ้ายังไม่มีความสขขงบ ม, มันก็ต้องไปออกไปหาข้งนอ ก, ออ ก, อ, กออกไปหาลูกเสียงกินออกไปหาลากร้นตอนนี้ออกไปหาตําแหน่งนะึงนะหอตําแหน่งซ้อๆหาตําแหน่งอ ถ้าทุกนตีนายกเนี่ยวใจมันโหนงมันไม่รู้ว่าความสุขที่ใหญ่ที่แท้จริงมันอยู่ในใจอยู่ในตัวของมันเองต้องทํำสมาธิต้องเข้าให้เจอความสุขที่มีในใจแล้วมันมจะได้ไม่ไม่เป็นหลงกับความสุขภายนอกเพราะความสุขภายนอกมันเป็นความสุขเดี๋ย ว, วนนยเดียวชั่วคราวได้เป็นนายกเดี๋ยสี่ปีการเลิกใหม่นะ ถ้าเวลาไม่ได้ก็เสียใจเศร้าแต่ก็ไม่เก็บเดี๋ยวก็พอมีโอกาสใหม่ก็เอาอีกนะพราะมันไม่มีความสุขเวลามันไม่มีอะไรมาให้มั น, มนเสริมแล้วให้มันเป็นมาครอบครองเป็นสมบัติทุงมันใจมันชอบควายคว้าหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นสมบัติมาให้ความสุขกับมัน มันไม่มีความสุขในตัวมันเองแต่เราสามารถสร้างความสุขภายในตัวของมันได้เราก็ไม่ต้องแสหาความสุขไปแล้วเพราความสุขภายในมันดีกว่าต่างกันเหมันฟ้ากับดินที่ให้ฝึกสมาธิเมื่อเราเข้าให้เข้าถึงความสุขในตัวเราเนี่ยพอเค้าสุขในตัวแล้วเราก็ย่ปล่อยความสุขภายนอกได้ปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสปล่อยลาบลดสรรพสิญได้ เราให้ใครมาอาเค็นตำแหน่งนายกก็ไม่เอาเอาไปนอนป่วดหัวไม่ถ <c oughs> ้าคนมีความสุขภายในใจแล้วไม่ต้องการอะไรเพรเหนเรออ็นทุกอย่างเป็นทุกข์หมดนะทุกอย่างของชั่วกลาวเป็นทุกข์กราลาไม่ถูกเขาก็ได้วันที่หน็่งเไม่เอาเพราะถ้าวันที่หนึต้องยำดินแล้วเนี่ยต้องไม่ให้ใครรู้ว่าเราถูกวะใครรู้เดี๋ยวก็เป็นเหมือนล้ขึ้นน้ําตาลนะ มาเกาะไว้หมดเลยถ้ารู้ว่ามีการทายาตเราไม่ให้เขากระโดดกระดายใช่ไหมเราไม่รักเพื่อนเราไม่รักพี่รักน้องเราาทีเวลาเราไม่มีกินไม่เห็นมันนักเราเลยเลยเนี่ยกิเลสของคนเป็นอย่างเนี้เป็นป้านมันนนหวังเงาใจผลประโยชน์อย่างเดียวนะถ้าเราไม่มีผลประโยชน์แล้วมันก็ทิ้งเราแล้ว ม, มาเกาะกั นั่นอยู่กับคนจนดีกว่าจะได้ไม่มีใครมามาเกาะเราอาจารย์ะนนหมที่อุนนสากับดิสเซยไอ้บานที่จะสยซีเข้ามาแต่ไม่เห็นคู่นี่เข้ามาแล้วก็ปิดกล้องเลยอ๋อนมาสัการค่ะอาบบจารย์ตอนนั้นอยู่ที่ร้านนะคะแล้วก็ฝนฝนตกแต่ว่าเห็นว่าเริ่มดึกแล้วเลยต้องรีบกลับบ้านก่อนค่ะ อ่าดยนี้มีอะไรไหม <c oughs> โยมมาโยมมาฟังธรรมค่ะแล้วก็จากการพี่อาจารย์ให้ข้อคิดมาตั้ครู่นี้รู้สึกว่าโยมพลาดไปล้วค่ะเพราะว่าโยมตามมันไม่ทันว่ามันเกิดดับเกิดดับบางทีเผลอเผลอไปหงุดหงิดเผลอไปโกรธมือก็จริงจริงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นโยมมาฟังธรรมในครั้งนี้อย่างเดียวค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ แต่างมั น, ม, นมันเกิดพื่อมันก็ผ่านไปแล้วเสียงเข้ามาในหูมันก็หายไปแล้วนู่เข้ามาทางตามันก็หายไปแล้วแต่เราเอามาคิดเอาสัญญาความจํามาคิดมาปลูกแต่งต่อแล้วก็มาเครียดมาทุกข์กับมันใช่ค่ะตาทุกอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณธรรมะมาตะครูนี้อย่างอย่างมากเลยค่ะลงใจพอดีเลยค่ะตาทุกอาจารย์ขอบพระคุณมากในการ มีอะไรสยา <laughs> <laughs> มีค่ะพระอาจารย์อย่างของซูมเมื่อวานหรือว่าตอนที่พระอาจารย์สอนหนูหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสมมติว่าอย่าไปจริงจังอะไรกับชีวิตมากนักเลยถ้าไม่ใช่เรื่องของการดูแลร่างกายค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่ายัางไงเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็ตายลงไปแล้วอย่าไปขอขยายความอีกหน่อยได้ไหมคะพระอาจารย์วา ไม่ก็อย่าไปยุ่งกับลาบยุ่งสารเสพสุดนะนี่อย่าไปหาอยากยำอยากไปอยากร่ำรวยอยากไปอยากมียศมีตําแหน่งอยากไปอยากได้รับรางวัลเช่นรางวัลสุพรรณหงษ์รางวัลทุกตาทองรา <c oughs> งวัลอะครูดีเด่นอะ <c oughs> ไรของวันนี้ไม่จเป็นไม่สําคัญไม่มีมันก็ไม่ตายจ่าอย่างที่จริงของพระจ่าเลยค่ะว่า พระอาจารย์บอกว่าเวลาไปอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะแล้วต้องค่าใช้จ่ายเยอะถึงเงินเดือนมันก็เยอะจริงแต่ว่าเก็บก็ไม่ต่างอะไรกับที่เรามาอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็หาเลี้ยงอะไหาเลี้ยงชีพอะค่ะหนูหนูเพิ่งคิดได้จากนังสือพระอาจารย์แลอกอ้าวทำไมเราคิดไม่ได้แล้วก็ออกมาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคะเอาพระอาจารย์กก็ได้ค่ะไม่เวลาต้อนรับจะติดแสงสีเสียงของลมใหญ่น้องอยากจะอยู่ลมใหญ่ อยู่ต่างจังหวัดแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้เราเสร็จค่ะแต่ว่าพอออกมาปุ๊บบางทีก็มุ่งมั่นอยู่นะคะแต่ว่าพอเวลาที่เราเหนื่อยจะเจอคนรอบข้างจะมองว่าเราแบบเขาก็มองตัดสินจากเราว่าเราล้มเหลวเราออกมาต้องมีอะไรแน่ๆนู่นนี่ตอนแรกก็กล่าว่าจะหาเวลาปฏิบัตินะคะพระอาจารย์แต่ว่าคําพูดของคนก็ยังมีผลกระทบกับกับใจอยู่เหมือนกันค่ะเวลาที่ เจอหรือได้ยินหรือเจอท่าทางของคนมาตัดสินมาว่าเราประมาณนั้นค่ะเรไม่อยากให้เขายกย่องเราอยากให้เขานับถือเรา <c oughs> เรายังไม่เป็นแจ้วจริงถ้า <c oughs> เป็นแจ้าจริงเขาไม่สนใจใครใครไม่ยกย่องไม่ว่าฉันเป็นเจ้ามายกย่องฉันทำไมมัน <c oughs> จะต้องรู้ถูกฉันเห็นดียัถูกพราะฉันเป็นแจ้ว นั้นเราออกจากงานมาเพื่อจะได้มาเป็นแจวค่ะอ่านั้นเรายังไม่เป็นแจวจริงยังเป็นแจวอยา่างนั้นยังท้ก็ย่อกยอก่อมแจวอยู่ค่ะอ่าต้องฝึกต่อไปต้องเตือนว่าเราเป็นแจวไม่หวังอะไรจากใครดังนั้นที่พักคุณจองที่พักแล้วนะคะพู้อาารย์ ส <Okay. S 2> องช่วงเรียนต้นเรียนพุพิธภาค่ะโอเคด้ไปได้ไปชั้นแบตต่อมันเริ่มจมหมดแล้วเนี่ย <c oughs> จหวัดแล้ว <c oughs> ใช่รู้สึกว่ารู้สึกว่าการที่เรามาอยู่ในสังคมที่เราเราแกว่งค่ะอาจารย์ <c oughs> แกว่งค่ะแกว่งมากเลยแต่ก็ยังดีว่าเราดึงกลับมาได้เร็ว <c oughs> ถ้าเมื่อก่อนเป็นปุ๊บมันจะรู้สึกข้ามวันข้ถาถคืนแือตอนนี้ ไม่นา น, นค่ะแต่ก็รู้สึกยังแขว่งอยู่ค่ะแขว่งยังไม่ทันมันยังไม่ทนมันใช่ค่ะเมื่อกี้พอฟังคุ๊บโก้เราพลาดไปเยอะเลยมันเกิดดับเกิดดับเราเราไปตามมันเองค่ะจาริงจริงเราขาดสติเราไม่ชีสติใช่ค<ว>่<ห>ะอขอขอบคุณอาจารย์ค่ะคบคุมตัวสังขารไว้อะไรมาก็ไม่ต้องไปปุ่มแต่งข้ามาแล้วก็ผ่านไปได้ยนแล้วก็ผ่านไป ด, ดับ ด, ดับไปสัตว์แต่ว่ารูปไปไ้ไปทำไมไปคิดว่าเขาว่าเราเขาชอบเราหรือเขาเกลียดเราหรือเขาอะไรเราไม่กังวลทำไมไม่ใช่เรี่อแล้วเรา <c oughs> เขาจะเกลียนแล้วก็ห้ามผมไม่ได้ <c oughs> เขาจะชอบเราแล้วก็ห้ามผมไม่ได้ตอนนี้เวลานั่งสมาธิค่ะนานมากเลยค่ะพระอาจารย์กว่าที่เขาจะเริ่มหยุดคิดนะคะ่ะแต่ก็พอ <c oughs> <c oughs> าไม่ถูกเสติกรมานั่ง ต้องฝึกทั้งวัน ท, ทั้งวันพูดโทยทั้งวันแต่ทําไม่ได้หนะรอก็ต้องทํางานต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ต้องคิดอยู่ทั้งวันใช่ค่ะเพราะมันทำสมาธิมันไม่ยากก็แค่ปล่อยให้เขาปล่อยให้อยู่ชิดแล้วก็ได้มากสุดก็ระหว่างอยู่แค่ตรงกลางทางอะค่ะพอาจารย์แต่อย่างน้อยมันก็เบาวกว่า ก, ดกา็ดีกว่าไม่ทำํำดีกว่าไม่ทํำค่ะแต่ถ้าไปไปเรื่อยมันจะต่างกันเลยคุมได้ทั้งวันก่อน อนที่มานั่งสมาธิแล้วควบความคิดไว้ได้นะ่ะเรามานั่ง<ท>มันก็สงบได้เร็วพระอาจารย์คะขออีกขออีกคําถามหนึงคะ่ะเรื่องอาหารเนค่ค่ะคือถ้าสมมติว่าเราอาอยากจะควบคุมอาหารหรือว่ากินมื้อเดียวหรือว่าเพื่อความเพื่อความสวยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เรามันมันสวยยัไงล่ะมันมีอาการสารันติสุขเป็นอยู่ร่างกาย อยากขอมาค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วมันมันจะแบบว่าเอาอันนี้มาใช้ประโยชน์ได้อีกสักแบบว่าเอามาใช้ด้วยได้ไหมคะหรือว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นไปเลยแล้วก็อย่าอย่าอย่าไปหวังผลจากจากความสวยงามเป้าหมายของการอาหารนี่เป็นเป็นการเพื่อที่จะการการความง่วงนอนเวลาต่างๆท่านกินมากมันจะง่วงมันจะขี้เกียจหน้าร้อนสับประหง มันจำลองก็เดินไม่ค่อยไหวอยากจะนอนแต่ถ้ามันกิงเมื่อเดียวแนละ้วอดอาหารเนี่ยเวลาเท่ามันว่าแล้วมันจะรู้สึกมีสติสตั๊มเยอะว่ามันจะไม่ง่วงมันจะตื่นตัวเพราะมันหิวความหิวมันจะทําให้เราตื่นตัวนั้นแนะมันเป็นและเป็นเป็นปักจุดหมายของการต่างเพื่อใ้เราก็ต้นให้เกิดสติให้เกิดความเพียรแล้วก็บังคับให้เราต้องภาวนาเพราะถ้าเรา ไม่ก็ข่มขังคิดบนแต่ปล่อยให้คิดถึงอาหารเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวค่ะถ้าาอวนคนส่วนคนภ า, ายหลังมันก็ได้คุณดีแน่นอนแต่คุณที่เป็นแต่คุณที่เป็นตุ่มันก็จะกลายเป็นขวดโค้ดเป็คซี่โค้ดไปแล้ว ก, การโรคการเจ็บก็โรภัยโรคต่างๆก็จะน้อยลงโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรที่มันเกิดจากการรับประทานน้าหนักเกินมันก็จะหายไป แต่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราเราต้องการอนทานเพื่อกระตุ้นการการปฏิบัติทางด้านจิตใจเพื่อกําจัดนิวรณ์เกี่ยความขี้เกียจความง่วงนอนอันนั้คือเป้าหมายหลักของการอดทานล้าอดถ้าเราไม่เป็นปฏิบัติเ้ายังยู่แไม่อดอยู่บ้าอันนั้นก็อดเพื่อร่างกายเพื่อหุ่นเนี่ยพรบางคนเขาอดกันใช่ไหมแตวเดียวเดียวๆพอได้หมนิดเดียวก็อยากจะกินอีกแล้ว เลยก็อดของว่าไแล้วการอดนอนล่ะคะพ่ออาจารย์เห็นที่เข า, าหนูลองอดนอนแล้วมันนึกอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าอดอาหารมันจะรู้สึกเบาแล้วก็โล่ง แ, แล้วแลต่แล้วแต่จริตของแต่ละคนถูกกับอะไร<อ>ถูกกับนอนถ้าไม่ถูกกับการอดนอนก็อย่าไปอดนะคคแต่ถ้าถ้าถูกบางคนถูกชอบไม่ชอบเวลาไม่นอนแล้วกรู้สึกว่ามันสามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องยาวก็ย ไ, ไม่นอน แต่บางคน oh, <okay. S 1> พอพออดออนแล้วมันมันง่วงมหมดเลยทำอะไรไม่ได้อย่างก็อย่าไปอย่าไปฝืนท <c oughs> ้า อ, อุบายต่างกันนะบางทีอย่างหลวง ต, งตงาฮารบัวท่านก็บอกว่าท่านท่านถนัดท่านชอบอุปทารแต่เรื่องอ่อนตอนนอนนี่ท่านไม่ท่านก็ไม่ได้ทําไม่ถูกจริงครับท่านขอพระคุณพระอาจารย์มากค่ะอนี้เป็นออปชั่นพิเศษไมใช่ไม่ได้เป็น ไม่นด้เป็นมาตรฐานทีมาขับรถอันนี้ต้อ ง, องจายเพิ่มสำหรับโยมนะคะอาจารย์ตั้งแต่กลับไปวัดรอบที่แล้วกลับมากาแฟยังไม่ดื่มเลยค่ะจนถึงวันนี้ถ้าไม่ดื่มถึงวันนี้ <c oughs> ก็แสดงว่าไม่ติดแล้วนะคือมันมันเมื่อก่อนมันปุ๊บขับหรืถจอดเข้าปั๊มมันต้องเวทอเมซอนเพื่อซื้อกาแฟอตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดหายอะไรไปแต่ว่าก็ยังตั้งใจว่าจะไม่ดื่มเพราะว่ามันมีผลดีกับสุขภาพเราเองค่ะแล้วก็ ทุกวันพระยมก็จะถือศีลแต่ทุกวันพร ะ, ะแต่บางทีก็จะกินแค่ครึ่งวันค่ะแล้วก็ในสัปดาห์หนึ่งจะให้ชีวิตฟรีหนึ่งวันค่ะก็ทำแบบนี้มาก็ดีต่อสุขภาพป้าอาจารย์เป็นผลเป็นผลพลอยได้ค่ะเราไม่ได้พวกเป้าไปทีร่างการนะพวกเป้าไม่ใช่ ไ, วว ไ, ไม่ค่ะเพราะว่าโยมคิดว่าคงไม่ใช่ต้องตวยต้องงามแล้วอาจารย์โยมแค่มาเพื่อฝึกตัวเองเท่านั้นเองค่ะ หรือแม้กระทั่งสุขภาพดีหรือร อ, อ, อ, อ, อ, อ, อายุยืนยาวนานก็ไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติใช่ค่ะสาธุอาจารย์โอเคตาก็คุณมากค่ะอาจาราย์ไปทีใช้หน้าตคุณสาธกาเป็นยังไงปฏิบัติทุกวันค่ะอาจารย์สะ่ะไม่าดนะไม่ไม่ขาดสติดาลอดเวลานะ่าิให้เป็นสัพพัญญาไม่เผลอนะ ค่ะสฏิบัติยิดต่อเนื่องค่ะมาฟังธรรมกรับอาจารย์ขหบคุณที่อาจารย์คงพิไลต่อคุณกองคลขอบคุณคุณนุกูลยังไงนุกูลไปงานศพเพื่อนรือเป็นไปงานศพเพื่อนไรือเปเอ่อไปมาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปงานเผาค่ะต่อไปก็ต้อง ก็ต้องไปบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นไปเจอก็รู้สึกทุกคนก็ชลาภาพกันแต่ละคนเจ็ดสิบกว่าใช่ไ่มเวลากันไปเยอะใกล้แปดสิบเสลาเยอะตรงนี้จะเป็นวันไปเปี่ยนเขาฝากความเสียใจสอความเสียใจไว้ให้จับภาพเลยนะจับภาพก็แย่เลยค่ะสะบักสะบองตั้งตัวไม่ติดเลย เจ้าภาพก็จะอยู่อยู่นานกว่าคนอื่นเยอะแยะเลยันาตามลำไส้มาเกือบเครื่องก็ยังอยู่ได้เลยบอกถ้าได้ปฏิบัติทำกันลึกซึ้งนี่ก็จะยืนได้สบายนะคะมีอะไรเกิดขึ้นก็รับสถานการณ์ได้ก็มันเป็นเรื่องธรรมดาเราไปตื่นเต้นต่แใจกันเองคพราะเราไปคิดกัน ยิ่งไปมองเห็นว่าเจอเพื่อนๆแล้วก็เป็นสังขารของแต่ละคนแล้วก็เห็นแล้วนะคะว่าคงตามกันมาเรื่อยๆอไปตามไว้ก็หวังว่าทุกคนจะรับสถานการณ์ได้อยดีนต่แ ล, แล้วแต่แต่ละคนจะต้องหาที่พึ่งของการทำเอาเอง วันนี้ก็มากราบพระอาจารย์ค่ะังทำเหมือนเคยค่ะขอให้เรารักษาใจของเราแค่คนเดียวขอคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราค่ะใช่ไหมตอนเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงสุขก็สุขทุกข์ก็รับรู้แต่เราพยายามอยู่ตรงกลางค่ะอศัียะว่าิศักรติไปใช่พยายามอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดอ่านี่โอเคนะอ่าถึงให้ทนฝนต่อนฝน ท่านเยา์เนียท่านไม่ไม่ไมถูกหมอไปด้วยสวัสกดกีค่ะพระอาจารย์ฝนทันสุตาเจ้าค่ะทันสุตาเจ้ค่ะเมื่ อ, อาวานอาทิตย์ก็ได้มีโอกาสเกี่ยที่เรียนแจ้งพระอาจารย์ไว้ว่ายงขับรถจากกรุงเทพไปหาพระอาจารย์เพื่อที่ไปฟังธรรมนะคะพรอาจารย์ทำได้ไหมทำได้ก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นความตั้งใจมากที่จะต้องไปฟังถึงที่นู่นคือมันไม่เหมือนกันกับฟังที่บ้านนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ อืที่บ้านบรรยากาศมันยังเป็นบ้านอยู่นะใช่เจ้าค่ะก<ม>็เป็นความตั้งใจล้วนๆเลยเจ้าค่ะที่ที่ขับรถไปเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขับรถทางไกลนะคะอไปคนเดียวด้วยใช่เจ้าค่ะไปคนเดียวก็<ม>วกพอดีตอนแรกนัดกับ น, น้องอีกคนนึงแต่ว่าเขาโดนกิเลสลากไปฮะแล้วมยมก็ไปบอกเขาว่ายมจะไม่เปลี่ยนความตั้งใจแล้วก็จะไม่เสียสัจธากับตัวเองนะคะเพราะว่าตั้งใจนั่งอธิษฐานศรัทธาอธิษฐาน ใช่เจ้าค่ะเพราะว่าจะไม่เสียสัจจะเจ้าค่ะเพราะว่าตั้งใจเวลาค่ะวันนี้ก็อาจะมาเรียนกราบขออนุ ญ, ญาตถามพระอาจารย์สามคำถามเจ้าค่ะ <มา S 1> คำ<ม>าถา ม, มา เป็นเรื่องเกี่ยวกับความอยากเอาชนะความอยากค่ะพระอาจารย์เพราะว่าแบบคือคื อ, ค, อ, ค, อคือหลังๆความอยากในหลายๆเรื่องก็ลดลงไปนะเจ้าค่ะตั้งแต่แบบปฏิบัติธรรม่ะคะแต่ว่ามันมีความอยากที่แบบเป็นความอยากตัวใหญ่มากนะคะคือเหมือนแบบตอนนี้อยากได้ของสิ่งหนึ่งมากนะคะแล้วแต่ก็พยายามใช้สติแบบในการห้ามปรามาตลอดนะคะว่าเออแบบมันอาจจะยังไม่จําเป็นคือมันมีความจําเป็นแต่เราไม่จําเป็นต้องซื้อแพงขนาดนี้เจ้าค่ะพระอาจ า, ายรย์ก็ใช้สติแบบมาแต่ว่ามัน แต่มันก็แบบความอยากมันก็พุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาตลอดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วแบบเหมือนแบบจะเอาชนะมันไม่ได้อ่ะค่ะพระอาจารย์มันมันมาตลอดเลยอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ดูว่าได้อะไรมาแล้วมันต้องทุกกับมันนะตอนนี้เราไม่มีมันเราก็ไม่ทุกนะพอมีมาแล้วเราคอยดูแลรักษามันนะยิ่งของแพงแพงยิ่งต้องคอยห่วงคอยคอยกังวลนะถ้าเกิดมันหายไปหร้อเป็นอะไรไปยิ่งทําให้เราเสียใจอะ อลองในมุมกลับว่ามันทุก อ, อย่างมันไม่มันไม่ใช่เป็นสูตรอย่างเดียวหรอกได้มาแล้วมันจะการเป็นความทุกข์ทุกคนเราจะต้องคอยดูแลรักษาก็ก็คิดอย่างที่าอาจารย์บอกอะเจ้าคะแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนแบบคือมันอยากแบบเหมือนแบบกิเลสนะคะมันหลอกให้เราเหมือนแบบฟูลฟิลนี้นะคะพระอาจารย์ก็ถามว่าเอามาทําไมถ้าเราความเรื่ความต้องการของเราคืออะไรมันมีประโยชนอะไรกับเรา เรา<ก>เราไม่มีมันเราจะตายหรือเปล่าในยินดีก่ะถ้าถ้าไม่มีมันแล้วเราไม่ตายก็แสดงว่ามันไม่สําคัญกับเรานะแต่สิ่งไหที่เราขาดมันไม่ได้เนี่ยเราต้องมีอันนั้นสําคัญเช่นนมหายใจลีมนี่สําคัญไหมต้องมีใช่ไหมถ้าไม่มีนมก็จะตายอาหารจําเป็นมหมอะจำเป็นแต่ลดดู ร, ราคายี่สิบล้านจําเป็นยังต้องมีไหมได้อยากจะได้ลดราคา เขาไปทํา้วมันจริงก็มีรถอยู่แล้วใช่ไ่มคะแต่แบบเหมือนคือถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนรถแล้วไงฮะแต่แบบอยากได้รถที่แบบ เ, ออเราอยากจะได้คันเนี้ยแบบมัน <tow> ก็แบบแได้ตรไหนรถมันก็พาเราจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้เหมือนกันได้เลยคือพอทุกครั้งพอจะเป็นอย่างนี้ก็จะนึกถึงคำพูดพระอาจารย์ค่ะว่าเออเนี่ย<ค>ถ้าอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้แน่นนๆเลยแล้วพระอาจารย์ก็บอกอย่างนี้จริงๆค่ะแล้วแบบแต่แบบโอ้โหมันมัน มันมันพุ่งขึ้นมาแบบเวลาขับรถเราเห็นเงนี้ย่ะมันก็จะแบบพุ่งขึ้นมาเลยค่ะแต่ก็พยายามแบบพยายามมีสติะค่ะอาจารย์คิดถึงผลเสียในการที่มีขอหล่นั้นดูเพราะต้องคอยดูแลรักษาถ้าเกิดใครมาทําเอาตะปูขีดคนขึ้นมาหน่อยแน่ๆว่ก็จะทุกขู้บมาทีนทีก็สวยๆ ง, งามเกิดใครก็อยากแแกล้งเราเนี้ยเอาค้อนมาทุบกระจบให้มันเล่าถ้านหน่อย เจาก็พยายามแบบพยายามใช้แบบนั่งสมาธิใช้สติมากเลยเจ้าคะพระอาจารย์นี้แบบก็เดี๋ยวยมจะลองพยายามเอาชนะตรงนี้ให้ได้ค่ะพระอาจารย์เราเหตุผลเนี่ยรถมีไว้ทําไมรถมีไว้เพื่อพาเราสัญจรจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งใช่ไหมเรื่องอะไรจะต้องเสียค่าถ้าขึ้นรถเนี้ถ้าขึ้นแท็กซี่เขาเก็บห้าร้อยก็เก็บห้าสิบเราจะคันไหน เ, เราเราคันห้าสิบใช่ไหม มันก็ใช่ะจ้ะการซื้อรถแค่เหมือนการซื้อคาราห้าล้านกับซื้อคาราห้าแสนมันก็พาเราไปสู่จุดเดียวกันเราจะไปเสียห้าล้านทำไมโง่รู้เปล่าโง่รู้ชะลามันก็โง่แล้วแต่ก็แบบเขึ้นรถแท็กซี่ต่อแล้วต่ออีกจริงนหรอคะก็เดี๋ยวจะลองเอาพยายามดูจ้ะคะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยมาสู่เรื่องที่สองค่ะจ้ะค่ะพระอาจารย์ว่าคือพอมันเหมือนแบบเรามีความอยากใช่ไหมคะคือเรารู้แล้วค่ะว่าแบบ ว่าเราเราควรจะต้องคิดแบบนี้ค่ะคือเราจะต้องเจริญปัญญาเดินปัญญาค่ะแต่มันเหมือนอย่างที่บอกค่ะพระอาจารย์เขาแบบเหมือนก็นโดนกิลเลสรอเองค่ะว่าแบบเออถ้าเราพิจารณาปัญญาแล้วว่าแบบเดี๋ยวเราจะไม่ได้นะอะไรแบบอย่างเงี้ยใช่ไหคะพระอาจารย์มันก็เลยแบบตายแล้วเดี๋ยวเราต้องคือก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องคิดยังไงต่อไปดีอค่ะเพื่อที่จะเอาก้าวข้ามอุปสรรคตรงนี้ไปได้ค่ะพระอาจารย์รือปัญญาอย่างเดียวไม่พอบางทีเราต้องฝึกสมาธิด้วย ทำใจเราให้สงบเพราะถ้าใจสงบเราใจเราจะไม่ค่อยหิวโหยความอยากมันจะเบาลงาเราทําให้เราใช้ปัญญากล่อมใจเราได้แต่ตอนที่ปัญญาไม่สามารถกลอมใจเราได้เพราะความอยากมันมันแรงไม่ยอมฟังเหตุความผล ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะพระอาจารย์ก็ซึ่งยมก็พยายามนั่งสมาธิอ่ะเจค่ะพระอาจารย์แต่แบบอย่างที่บอกความอยากมันแรงมากค่ะมันก็เลยเหมือนแบบอาจจะสมาธิมันกําลังมันยังไม่พองะอะไรอย่างนี้เจ้าคเราพยายามฝึกฝึกสมาธิให้มากๆทําใจให้นิ่งได้ใช่ไหมค่ะทำใ<า><า>จสงบแล้วความผิวความอยากมันจะเบาคางคือมันก็ไปตัดความอยากในแบบอยากเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องแบบอื่นๆได้แบบพอสมควรแล้วจ้าค่ะเจ้า แต่ว่าอย่างที่บอกความอย่างอันนี้มันมันคุ้งแรงนะค่ะก็เลยแบบ<ก>ต้พยายามทําไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องต้องพยายามทําหลายๆรอบทํำหลายๆรอบค่ะได้แล้วค่ะพระอาจารย์ก็อก็พอ น, นี้อันนี้ก็จะรบกวนคําถามที่สามแล้วค่ะพระอาจารย์คือเวลาที่โยมจะนั่งสมาธิอะค่ะก็อย่างที่เวลาไปหน้าบุติใช่ไหมคะก็จะใช้วิธีฟังธรรมไปด้วยนะคะแต่ว่ามันเหมือนบางทีอะค่ะมันก็โยมไม่แน่ใจว่าเราควรจะ จะจับเสียงธรรมะยังไงอะค่ะพระอาจารย์หรือว่าแบบหรือเราฟังไปดูลมไปอ่ะค่ะหรือว่าแบบหรือว่าเราแบบฟังแต่เสียงธรรมะอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์คนใช้ฟังเสียงธรรมะอย่างเดียวจะพิจารณาตามก็ได้ถ้าพิจารณาตามก็เกิดความเข้าใจก็เป็นปัญญาถ้าเราพิจารณาไม่เข้าใจก็ยังไม่พิจารณาไม่ได้ก็เอาเอาเสียงเอาเสียงยึดอยู่กับเสียงอย่างเดียวฟังเสียงไปเรื่อยเข้าใจบ้างไหมเข้าใจบ้างก็ได้ ค่ะพระอาจารย์ก็บางทีเมันสลับกันอะค่ะพระอาจารย์เวลาที่นั่งอย่างเมื่อกี้ที่นั่งนั่งนั่งฟังอะคะ่ะก็นั่งสมาธิไปด้วยนั่งฟังไปด้วยคือบางทีอะคะ่ะแบบก็ใช้จับแต่เสียงอย่างเดียวก็จะแบบเหมือนคือพอมันจับเสียงอย่างเดียวะคะ่ะพระอาจารย์มันจะเหมือนมันจะไม่ได้ยินเนื้อหาไม่ไม่เข้าใจในเนื้อหาเลยทั้งที่แบบมันอาจจะเป็นเรื่องที่ simple อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบก็ไม่ไเป็นไรเอ่อถ้าเราต้องการให้ใจสงบก็ก้าวแต่เอาเสียงอย่างเดียวก็ได้นอกจากว่าถ้าเราอยากจะได้ปัญญาเราก็ต้องคิดตาม อแต่มันสลับกันได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์กันได้ก็หมามันอยู่สองอย่างนี้ก็แล้วถ้าคิดตามได้ก็คิดถ้าคิดตามไม่ได้ก็เอาแต่ทิ้งไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ได้เจ้าค่ะก็วันนี้ก็มีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ที่จะเรียนถามนะฮะเอาเงินไปทําบุญดีกว่าซื้อของแพงด้วยอของถูกเราเงินส่วนที่เหลือนี่ไปทําบุญดีกว่าก็ทำบค่ะเจ้าทำเยอะบุญนี่เป็นของเราเอาไปได้หมด อของที่เราซื้อมาตายไปอย่างไรไม่ได้ทักชิ้นหนึ่งก็จริงอ่ะก็เดี๋ยวหลังๆก็กระเป๋าแพงๆก็ไม่ถือแล้วค่ะพระอาจารย์ก็เก็บไว้แล้วด่าแบบใช้ถุงแบบใช้ถึงมันจะติดก็ได้ถุงมันจะเต่งมันก็ใส่ของได้เหมือนกันวันนี้กระเป๋าสต้าบาร์กแล้วอาจารย์ที่แถมอ่าที่ถึของแถมก็แจกเราพอแล้วเดี๋ยวจะไปบ้านบ้็นเรนกับแม่เขาถูกไหมไม่ไม่ถือแล้วค่ะเพราะว่าคือสามไปบอกแบบ ตอนนั้นซื้อแพงๆมาเขาก็บอกว่าแบบเธอชื่นชมมันซะนะแล้วเธอจะมีความสุขหรือแค่แค่ตอนนี้แหละเพอเดี๋ยวตอนหลังมันก็จะแบบความสุขเธอมันก็จะหายไปก็พอเห็นใบม้เป็นความสุขจากใบเก่ามาหมดไปแล้วใช่จังแต่ก็มองย่างนี้มองนี้ก็ไม่สุขเลยใช่จังก็ไม่ถือแล้วค่ะเพราะว่ามันก็กลัวมันเป็นนี่นั่นนู่นก็ไม่ถือก็ไม่มีประโยชน์ค่ะซื้อมาก็เลยตาวางก็ไม่ได้ซื้อแล้วโอเคพยายามตัดไปของฟุ่มเฟือยนั่นบาง เุงรูล้าทางค่างถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินาเงินที่ซื้อของคู่ควรูล้าไปทำดีกันใ่รเจ้าสอาจารย์ก็ทำดอย่างเมื่อวานนีเราก็บริจากงินไปเก้าสีก็สี่ประตูให้โรงเรียนไปคันนึ่นนี้ัฒนาศาสตรถูกใช่ไหมเราไม่มีรถแต่เราก็เดินไปเดินมาของเราพอ อ, ออยู่ไมไดม้ทำไปแล้วรู้สึกมันมีความสุขแล้วกัน นมว่า น, นังสาถุกใพระอาจารย์ยศใจด้วยยมก็แต่ยมเมื่อกีค้คือยมตั้งใจเวลาที่ยมจะทําบุญอย่างนี้ตลอดคือคือทําบุญก็ทําไม่ได้ขันแล้วจ้ า, าพระอาจารย์แต่ว่าแบบแต่ก็เข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์พูดค่ะยมก็จะพยายามเอาชนะกิเลส ต, ตรงนี้ให้ได้คาา่ะพระอาจารย์แล้วซื้อแล้วก็ไม่ไม่อยามาใช้อย่างเดีวยวเพราะถ้าเอามาใช้ก็ปวดหัวต้องหาคนมาขับให้ต้องคอยดูแลเติมน้ำมันอะไร มีชื่อไว้คนไหนมาใช้ถ้าวันไหนอยากจะใช้รถเขาออกมาเขาก็มารับเราไป <c ười> อระเจ้าอยก็คือคิดว่าแบบเออถ้าเกิดรถก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแพงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อ่อามันใช้งานได้ในงานตามตาม ง, งานที่เราต้องการใช้ถ้าสา ม, มีได้ยินเขาคงดีใจ อ, ะ <c ười> อ่ะก็ให้เขาฟังเลยมีย้อนหลังให้เเปิดฟังดีหน่อเปิดให้เขาฟังดูค่ะแล้วถ้าเกิดแบบ ถ้าเกิดเขาทําได้สำนึกผลเขาก็คงแบบอาจจะเขาคงต้องมาขอบคุณพระอาจารย์มากๆตอนนี้ต้องทําบุญแบบใหญ่ๆแล้ครั้งหน่อยมันจะรู้สึกไงมันชื่นใจทําแบบเสียสละเงินที่เราจะไปซื้อของที่เราออรักเนี่ยก็เอาไปทาบุญแทนจะลองดูเฉพาะทานี่เองก็ได้ทําวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้แล้วแต่เราชอบทําบุญแบบไหนก็นไปทำํำก็ทำก็ส่วนใหญ่ก็กทําทุกที่ค่ะพระอาจารย์พยายมช่ว ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืได้เจ้าค่ะพระอาจารย์กับลูกเกินเวลาพระอาจารย์เท่านี้แล้วเจ้าค่ะย่ังเปล่งใจขอพระคุณพระอาจารย์มาจักษาถือคุณดอนพัฒต่อให้ไปหลายวันเนี่ยการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังอยู่ที่อุบลอยู่รึเป่ะยังอยู่ที่อุบลเจ้าค่ะก็เดี๋ยวนี้ได้อืมเริ่มไป ไปปฏิบัติธรรมที่วัดบ้างค่ะพระอาจารย์เป็นประมาณเดือนละครั้งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์พ า, า, พาคุณแม่ไปด้วยเจ้าค่ะดีไหมที่วัดกับที่บ้านต่างกันไหมต่างค่ะเพราะว่าได้ไ ด, ได้ได้ทําเต็มที่เจ้าค่ะพระอาจารย์มันไม่มีการรบกวนเจ้าค่ะเป็นวัดปฏิบัติหรืป่าวัดป่าหรืเป่าเป็นวัดป่าเจ้าค่ะอ่าดีค่ะก็ไปไปก็ไม่ค่อยมีคนเจ้าค่ะพระอาจารย์บางครั้งมันเป็นเรือนใหญ่แต่เราอยู่กับแม่สองคนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ เหมือ น, เ, นเหมือนเราไปไปปีกเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ถ้าอยู่บ้านปฏิบัติมันก็จะมีบางทีแม่โทรขึ้นมาเรียกให้ไปทํานู่นทํานี่ก็มีบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นไฟแดงเจ้าค่ะอาจารย์เต็มไฟแต่บางทีก็<ๆ>ก็เปลี่ยนเวลาลองเปลี่ยนเวลาบ้างไปบางทีนอนเร็วแล้วตื่นมาตีสองก็ดีเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเป็นเวลาที่ไม่ค่อยมีคนรบกวนเจ้าค่ะแต่คนอื่นก็นอนกันหมดเราก็จะได้พักราคาขอาได้อย่างสบาย ค่ะวันนี้ขอโอกาสกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะวันที่เป็นวันอาทิตย์พระอาจารย์ได้ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับนามรูปขันห้ากับรูปนามเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกขออนุญาตเรียนถามว่าอย่างตัววิญญาณที่เป็นอนิจจังกับอนัตตามันรายละเอียดมันเป็นยังไงเจ้าค่ะวิญญาณมันเป็นอนิจจังยังไงเจ้าค่ะก็วิญญาณในขันขันนามขันยั้ไเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ค่ะวิญญาณมันก็เปลี่ยนไงที่จาังว่ามันเปลี่ยนเห็น้าพหนึ่งก็เป็นวิญญาณอย่างหนึ่งเห็นได้ยินเห็นภาพเป็นภาพเหนว่าเปลี่ยนไปนะอ๋ออ๋อคือการรับรู้มันเปลี่ยนไปคือเห็นภาพได้ยินเสียงเปลี่ยนไปตามเสียงเปลี่ยนไปรูปเปลี่ยนไปมันก็มันก็มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปเจ้าค่ะอาจารย์ความรู้สึกก็เปลี่ยนตามไปใช่ไหมเห็นภาพที่ดีก็เกิดสุขขึ้นมาเห็นภาพที่ไม่ดีก็เกิดทุกข์ขึ้นมา มันเป็นมันไปมันเป็นระบบ่ะมันทํางานทั้งทีมเลยวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนจากวิญญาณรับรูปเสียงกินร้อนเข้ามาพอรับมาปุ๊บมันก็เกิดสัญญาสังขารขึ้นมาสัญญาเกิดวทนาสังขารตามมามันทําชุดๆไปแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ ที่ผู้อาจารย์บอกว่ามันเป็นฟังก์ชันลูกก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะเจ้าค่ะผู้อาจารย์โดยเฉพาะเวทนาเจ้าค่ะพู้อาจารย์เห็นมันเป็นฟังก์ชันเห็นว่าเราไปบังคับมันไม่ได้เราจะไปเราจะไปจัดให้มันมีแต่สุขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้ว่ารูปสิ่งเดียวที่เราเห็นมันเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ใช่ไหมครับบางทีเจอคนเขาไม่ดีพูดไม่ดีกับเราบางทีก็เจอคนพูดดีกับเราเราไปจัดการไม่ได้ เราต้องรู้ทันแล้วก็อย่าไปยึดกะติกการทำเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนม า, าปัจจุบัเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางสัจธรรู้ไปค่ะเพราะเพราะตอนนี้โจทย์ของลูกที่ที่กับเรียนพราาะจารย์ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่เราออกจากงานมาก็คือการเป็นเจ้าให้พ่อกับแม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ ม, มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่คือแล้วการที่ อยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมคะแล้วแม่เขาเป็นคนที่ข้างจุกจุงจิก จ, จ้าค่ะพระอาจารย์คือเขากำกับทุกเรื่องเงี้ยเจ้าข่าวพระอาจารย์แต่ที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ลูกลูกอะได้ได้ลองใช้ด้วยด้วยตัวเองมาก่อนก็คือควบคุมสังขารเจ้าข่าพระอาจารย์ไม่ให้ปุมต่ออย่างเงี้ยเจ้าข่าวพระอาจารย์มันก็ช่วยได้เยอะเลยเจ้าขาาา่าวะอาจารย์ค่ะค่ะมันมัน่องตัวสังขารเนี่ยเที่เรามาเดูแลสติกันเพื่อควบุมตัวนี้ไม่ให้มันดิ้นไม่ให้ตอบโต้ มันยอมหยุดเย็นแล้วก็ยิ้มข่ะคือเราเราถ้าถ้าสมมติเราเผลอไปปรุงนิดนึงนะเจ้าค่ะพอาจารย์มันจะต่อแล้วมันจะไปปรุงเขาแล้วมันก็จะปฏิคัาไปอะไรอย่างนี้ต่อไปเลยเนะี่ยเจ้าค่ะพอาจารย์แต่ถ้าเราตัดไปเลยว่าเหมือนกับไม่ไม่คิดต่อว่าเขาทําไมถึงทําแบบนี้เพราะว่าถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะถามว่าทําไมเขาไม่มีเหตุผลทําไมเขาให้ทําแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็จะเกิด อ, อาการไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ ค่ะแต่พอไปตัดตัดว่าไม่ไม่ต้องอ่ะเฉยเฉยให้ให้ไม่คิดต่ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันมันช่วยได้เจ้าจค่ะอาจารย์ยุบิจาสอนได้สักแต่วันนึงแล้วองรู้ไปไม่ต้องไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดจ้าค่ะแต่แต่มันก็ต้องมาจากที่อาจารย์บอกเจาก้าค่ะว่าต้องเจริญสติเจ้าค่ะอาจารย์ถ้าไม่ได้เจริญสติมันมันตัดม ไ, มไม่ได้เจ้าค่ะมันก็อตอบก้วัน ท, ทันที ค่ะเป็นเป็นเหมือนการบางช่วงที่ที่ไม่ได้จะไม่ได้สวดไม่ได้ภาวนาใช่ไหมเจ้าแบบต่อเนื่องใช่ไหมเจ้าครับอาจารย์เราจะหลุดง่ายมากเจ้าค่ะค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่เราทําตามสเต็ปได้แบบตามครบตามที่เราตั้งใจไว้อย่างนี้เจ้าค่ะมันจะมีเหมือนมีพลังมาช่วยด้วยเจ้าค่ะแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปมันยากปฏิบัติอย่างเดียวเพราะมันเวลาไม่ปฏิบัติแล้วมันขาดขึ้นค่ะค <K. S 2> ่ะพระอาจารย์อย่างบางอย่างที่ ที่เราต้องช่วยงานเขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้ามันมาอินเทอร์ลับการปฏิบัติเราก็กคือก็ต้องเลือกการต้องต้องต้องเหมือนกับโ่วไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนให้แล้วมาเลือกปฏิบัติก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะควาจ่ายไม่ถ้าเราต้องทำก็ถือว่าเป็นก็เอามันเป็ น, เ ป, นเป็นการปฏิบัติไปทําไปด้วยด้วยสติไปอืมโอเคโอเค <ไป S 1> ค่ะ ม, ม, มีสติอยู่ ง, งานที่เราทําไม่ต้องไปคิดอะไรอยู่ตัว<อ>สังขารี่เหมือนกัน มาสําคัญนี้ทำงานอะไรทําหน้าที่ไปอ๋อเอาเอาการทําหน้าที่ให้มาหยุดตัวสัำคัญให้ทําด้วยความว่างไปมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ปฏ okay. okay. okay, mm ิบ hmm. uh, ัติไปตัวยอ๋อโอเคค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะเพราะว่าลูกกําลังอ่าพยายามปรับตรงนี้อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีลูกลูกภาวนาอยู่อย่างเงี้ยก็มีการมาอินทอร์เน็ให้ไปช่วยงานมันอย่างมันก็มี อารมณ์ขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ดับไปนะเจ้าค่ะพ า, าร์ทจากเราไปยึดในแนวปฏิบัติของเราว่าต้องเป็นแนวนี้ถึงเถืเอว่าการปฏิบัติควาจริงเราลืแบบว่าการปฏิบัตินี่ถ้าเราใช้สตนหยุดใช้สติอยู่ความคิดได้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบททัติทุกทุกกรณีไปอ๋อโอเคเจ้าค่ะอลูกเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพ า, าร์ทจากเพราะลูกลูกก็คิดถึงกันแต่มันมันคือพอเราหยุดหยุดความคิดได้ลงไปทําตามที่เขาบอกใช่ไหมเจ้าค่ะพ า, าร์ทจากมันก็อ่ะมันก็ มีสถิติอยู่ได้มันก็จบไปค่ะมันก็จบเจ้าวมาค่ะยึดอที่ยึดแล้มันก็ไปยึดในรูปแบบเพราะะนั้นฉันต้องอยู่คนเดียวฉันต้องเดินจงกลมอ่าใช่อันนี้คือคือเป็นปัญหาเลยค่ะอาจารย์ก่อนหน้านี้ค่ะแลต้องไปทํางานก็ฉันต้องไปพูดไปคุยไปอะไรมันก็เลยมันก็เลยมันเลยไม่พอใจไม่ชอบอืม หลออาฉันก็ไปต้องพูดก็พูดด้วยสติทํางทำก็ทําด้วยสติทําอะไรก็ทําด้วยสติไปเจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนบางทีเหมือนมีมาทดสอบนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างลูกเขาบอกให้ลูกไปเอากล้วยใช่ไหมเจ้าค่ะลูกเขาไปเอากลอี้ที่ตัวเก่าเขาบอกไม่เอาแม่จะเอาตัวใหม่ซึ่งตัวใหม่นั้นมันมีเปื้อนฝุ่นเปือเป้อนอะไรมันต้องมีโฟสเฟตเพิ่มใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หลอ ถ้าเราเป็นสมัยก่อนเราก็จะทําไมไม่มีเผลเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะจะเคยจะยินย น, นิทานของโพธิรัคนปะ่าน า, านเปล่าโ อ, อ้โหโพธิลัคนี่เป็นเป็นเป็นนักศึกษาธรรมะคําสอนพระเจ้านี่จําได้หมดเลยเออแต่เวลาพุทเจ้าเจอโพธิลัคนี่พุทเจ้าบอกโพธิลัคนีอเป็นบายานเปล่า นไม่ได้ไม่ไม่มีอะไรมีแต่ของเปล่าๆอยู่เปล่าๆกินเปล่าๆตากเปล่าๆเดียวที่ไรก็พูดอย่างนี้ยัยเสดก็เลยคิดได้ว่าพระเจ้าบอกต้องไปปฏิบัติความุูที่เธอมีอยู่นี้ยังใช้ไม่ได้เป็นใบาลานเปล่าอยู่ก็เลยต้องไปหาครูอาจารย์ก็อยากจะไปปฏิบัติกับพาาระอรหันต์ก็มีสํานักหนึ่งพาาระอรหันต์ทั้งทั้งสํานักเนี่ยก็ไปหา เจ้าสำนักก่อนเจ้าสำนักก็มาประกาศไปแล้วไม่ขอศึกษาด้วยท่านปฏิเสธท่านบอกว่าท่านมีภาษามากกว่าผมผมเป็นอาจารย์ท่านไม่ได้เราไปถามพระรูปอื่นในวัาท่านก็ไปถามพระรู่นพระรูปอื่นต่างๆก็เป็นพระละแต่เราก็ปฏิเสธกันไปหมดจะเป็นเชิงองค์สุดท้ายเป็นเดนสามเณรสามเณรก็เป็นพระละสามเณรเห็นพระทุกใหญ่ปฏิเสธก็ไม่กล้าที่จะรับ ทาท่านจบบะปฏิเสธอระวหน้าเลยบอสามเณรเธอไม่ปวดท่านพระเทวรานหน่อยเยอยท่านสามเณรก็เลยรับไปเป็นลูกศิษย์นี่ก่อนที่จะสอนท่านสา ม, มเณรต้องดูก่อนว่าเชื่อฟังไหมเขาลบไหมว่าเอาไปใช้งานก่อนให้ไปร้านประมนให้กาดบุติทําอะไรเป็นแจวกอนฝึกให้เป็นเจวก่วนกวอนบางทีก็ใช้ให้เราไปเอาของที่อยู่ในน้า ต้องดูนลงน้ำไปแล้วพอเจ์ได้ของมาแลสมมามเณรบอกแม่ถ้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการค่ระแค่ทดสอบดูว่ามีความโกรธไหมความไม่พอใจไหมค่ะแต่จะได้จะได้สุดก็เห็นว่าพระเถระรูปนี้ท่านก็ทำตามทุกอย่างมอบกายถวาชีวิตให้สา ม, มเณรเป็นอาจารย์อาจารย์สั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำ มาสัมมนานเห็นว่าเอาพร้อมแล้วทำอะไ ร, รก็สอนธรรมะสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องอะไเวลาที่จะจับไอ้ตัวตัวด้วยลานก็ไม่สัตตัวกระปอกมันเขาเรียกตัวกระป๋อกเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในอยู่ในดินมันมีทางเข้าออกอยู่หกทางเวลาจะจับมันท้ามันปิดทางเข้าออกห้าทางแล้วเปิดไว้ทางเดียวแล้วไปคอยเฝ้ามาันอยู่ตรงทางนั้นน่ะอืม มันจะมาออกทางนั้นเข้าออกทางนั้นพอมันออกปั๊บก็จะจับมันได้เลยถ้าไปเปิดทั้งห้าทางมันก็รู้เลยมันจะออกทางไหนนะอันนี้ถ้าก็เปรียบเทียบว่าเวลาปฏิบัติกิเลสมันก็จะออกหทาวานออกมาทางหกทางตาหูจมูกนิ้วกายใจถ้าต้องการจะจับกิเลสก็ต้องปิดทวานทั้งห้าปิดตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็มาจอดอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวสังขารความที่ปูนแต้ม พอจับมันตัวนี้ okay. พอเป็นกิเลสก็จับมันอยุ่มันพอมันอยากได้นน่นอยากได้นี่ก็อยุ่มันจับที่ใจใช่ไหมเจ้าค่ะจับที่ใจมันที่ใจเพราะว่าลูกลูกก็ก็ก็มาดูที่ใจแล้วเวลาเวลาที่จะหยุดสังขารนะเจ้าค่ะพระจอมันจะทันค่อนข้างทันเจ้าค่ะอะที่พวกเมื่อกี้นึกถึงตอนที่ว่าแม่ใช้ให้ไปเอาของเน แล้วก็เปลี่ยนจานไ่อาแล้วเอาอีกอย่างค่ะเอามาแล้วนะคะอ่ะเป็นเก้าอี้ตัวเก่าแต่มันสะอาดนะเจ้าค่ะผอาจารนเขาบอกไม่เอาแม่จะเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่ดูได้ก็จะถามดูว่าเราเป็นเจ้าที่กี่ป่าค่ะอยู่เป็นตัวใหม่นั่นคืออยู่ที่มีฝุ่นคืออยู่ที่ที่ไม่ได้ใช้เจ้าค่ะผาจานเราเราต้องไปเช็ดต้องทําความสะอาดใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่แต่ว่านั้น มันนั้นก็ผ่านได้เพราะว่าเป็นการที่เกิดจากที่บอกพระอาจารย์ว่าไปเจริญสติมามาก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่พอดีการเจริญสติของลูกคือลูกสวดมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>ตลอดเดยวยาวยาวๆาวยาวเป็นหลายๆช่วงเงี้ยเจ้าค่ะมันมันก็ช่วยได้จริงๆเจ้าค่ะ<ม>ค่ะแล้วก็สุดท้ายเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเราถือศีลแปดใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเราไปพบแพทย์แล้วแพทย์ต้องมีดิเรกชั่นว่าให้เรา ปรเปลี่ยนการกินเพื่อรักษาโรคเราต้องทําตามแพทย์ไหมเจ้าค่ะพรอาจารย์ก็เราก็เชิงน้ำหลักว่าความจําเป็นที่ต้องรักษาที่มันมันมีมากไ่าการรักษาเสียงขเราถ้าเราคิดว่ามันจำเป็นจะต้องลดเสียงของาไม่กัดรักษาากางกาดอดข้านี้ก็คือ เราจะรักษาสินงยิ่งบาชีวิตแล้วก็ปล่อยแล้วก็รักษาสิ่อไปไม่เป็นธรรตามที่หมอสั่ง อ, อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจิตเราอยู่ในระดับไหนทร้ที่พรามที่จะสละชีวิตเพสาสาสื่อรักษาธรรมหรือเปล่าธรรมก็คือสิแบบเนี่ยเจ้าขาวว่าจอะไรยังไม่พร้อมก็ขอเลื่อนขอเลื่อนเวลาทำข้อสอบนี้ไปก่อน <laughs> แต่ แต่เรื่องเรื่องกายก็ที่พระอาจารย์สอน disconnect กับเจ้าขาพระอาจารย์มันดีมากค่ะพระอาจารย์คือพอเรามีเวทนาใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์มันเรามองว่าจิตมันกับกายมันมันเป็นไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแล้วมันถ้าตายมันคือแค่ disconnect กับเจ้า่าพระอาจารย์ใช่ไหมก็ตอบว่าตอบเหมืนทีวีกับภาพไฟค่ะมันมันก็คือเหมือนกับแยกไปได้ชั่วข้าวแล้วมันก็ทําให้เราอยู่กับเวทนาได้เจ้าขา ค่ะค่ะค่ะวันนี้กับเรียนถามพระอาจารย์เท่านี้กลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอะไรที่คุณหมอภาษนาตอบศาษนารัตบอคุณเกิดที่คุณคุณอะไรนะคุณเวียนนามเวียนเสืองเสืองภาษาเวียดนามเวียนเซียงเสียงเซียงมีตัวดีแต่ว่าเขาไม่ได้อ่านตัวดีอะเห็นค่ะเห็นเขาเข้ามา ไม่เหมือนอยที<ๆ>่วัดเลยนะพระอาจารย์ดูสวยช่ยเห็นไหมอาจารย์เขามีความไม่น่าและเขาไม่ไม่ปลีดีขึ้น claro กับเดิมเปียวเาลี่ยนทำนักปฏิการางานจะาดถ้าต้องการนั่นอย่างนี้นะครั้งนี้เขาเอายาทำใจนะพระอาจารย์ทีมพลก็ก็เทก็ก็แบบก็สอนจริงๆเขาโชคดีนะเขาเปลี่ยนนะคะอาจารย์ แล้วก็ตัวเองก็โชงดีนะพระอาจารย์มีพี่ที่ถ้าเต่าเขาไลาบอกพระอาจารย์คุณรมีก็มาที่สวนแสงธรรมก็เลยได้ไปใส่บานท่านด้วยค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ได้ขอกราบเรียนท่านว่าเดี๋ยวยังไงอาจจะขอไปปริวิเวกที่วัดด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะ<ม>ดีไหมคะก็ก็จะได้เพราะว่าท่านก็สอนท่านก็สอนอะไรทําให้เข้าใจเรียขึ้นกันพราจใช่ท่านก็อยู่บนลกมลางมาหลายปีใช่ใช่ท่านจําได้เลย แล้วก็ก็ตอนนี้ก็ยังปฏิบัติเนี่ยนะคะก็ตลอดก็ใช้ใช้สติเนี่ยตามตาแรงตามดูทิทิศติดใช่ไหมคะดูอารมณ์ดูอะไรเนะะี่ยค่ะมันก็ยังมันก็เป็นพอเราเข้าใจว่าเราเป็นผู้ผู้ดูแล้วทุกอย่างมันไม่ที่พระอาจารย์ตอกบมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเรามันก็เลยยังคงสักแล้วไมารู้ได้นะพระ อ, อาจารย์มันยังไม่ค่อยมี ก็คําถามคือก็เราก็ต้องดูไปอย่างเรื่อยๆแล้วก็รอว่าเมื่อมีกเลสเมื่อไหร่เราถึงจะจัดการมันใช่ไหมคะแพทย์พตอนนี้มันยังเป็นมอกมันยังมีความสุขก็แล้วหน้าที่ของเราก็คือคอยกาจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เฝ้ารอเฉยๆใช่ไหมรอดูว่าจิตเราไม่เลยคือว่าเราจะตอบสนองกับอะไรอเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รอเราไม่รอเราก็อยู่ของเราไปตามปกติไม่ต้องไปรอมันหรอกไปรอมันทำไม อ๋อไม่ใช่เราเฝ้าดูอ๋อก<ม>็คือก็ดูปัจจุบันก็ค่อนดูอ่ะก็ต้องดูคอยดูเหมือนเราเป็นยามใช่ไหมอ่าจะมีขโ ม, มยมาเผาบ้านเราเปล่าราคาจุดไฟปั๊บเราก็ต้องรีบไปดับมนั น, นได้พอไปทุกกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องรบีบตัดมันทันทีนี่ก็เป็นู้จะไปทุกข์กับอะไรใช่ไหมตอนนี้นไม่มีทุกข์ก็แล้วตอนก็อยู่ไปไม่มี<ต>เรพราะ วันดีคืนดีอาจจะมีเรื่องที่เราอาจจะไม่คาดฝันให้มันทําให้เราทุกข์ขึ้นมาก็ได้ก็ต้องก็ต้องไปไปดูว่าาจะทําข้อสอบได้ไหมถ้าเวลาข้อสอบเข้ามาแล้วก็พยายมทั้งทั้งยิปศนาทั้งสมถะก็ทําตลอดครับอาจารย์เพราะว่าก็คือรักษารักษาใจอย่างนี้ถ้ามันอยู่ในที่มันชินชามันปลอดภัยก็อาจจะต้องไปหาที่มัน ที่มันหว า, วา ด, วดเสีย ว, วบ้างเนี่ได้เท่าสองหนค่ะค่ะหวาดเสียวไเพราะว่าที่สารน้องให้มีดูตัวไปเร่งเลยก็ค่อยๆทำปฏิบตัติไปแต่ไม่กลัวค่ะพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่าสเพศสตารเรา ค, คือเจอแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันเออที่ทำตามพระอาจารย์บอกมันสงจริงนะพระอาจารย์สงรู้สึกดี <S <S โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์เราขออาจารย์ไม่ให้มันทุกก็แล้วกัน การนี้การปฏิบัติเป้าหมายก็คือป้อ ง, งดับความทุกข์ป้องกันความทุกข์ทั้งนี้แต่ว่ า, าฟังถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ฟังที่พระอาจารย์ให้มาน ะ, ะตอนได้ฟังถึงปุถุเทศและเทศลังสีก็ที่พระอาจารย์ให้มาก็คือพยายามฟังแล้วก็เกริ่นขอบคุณพระอาจารย์นะมันทําให้คือฟังแล้วบบเออมันต่อยอนขึ้นไปต่อแล้วขึ้นไปได้ค่ะอาจารย์รู้สึกดีมากเลยพระอาจารย์ขอบคุณสาธุ ไปที่แนบต่อนดอนอยู่มดอนต่อนมาสการ์ค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะอยู่แนบพระอาริยะรรมดที่พระอาริย์เยอะใช่จ้ค่ะแล้วไปกราบเยอะเลยค่ะใช่พระลครน้องใคายแนบพระอาริย์ใช่ค่ะแนไปกราบหลายครูบาเลยค่ะเอาเราเอาตัวเราให้เป็นอริย์ให้ได้นะถูกเลยค่ะ <Yeah. S 2> สู่ไม่ถอยค่ะฟาดโทรค่ะฟาดไปที่น้องอ้อมอ้อมบอวินอันนี้ไม่ฉายาอะไรบอรวินนี้หาอาลีอม่มียังไม่ไปถึงไหนค่ะก็ยัง <Yeah. S 2> ฝึกไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> ก็ฝึกป้องกันความทุกข์ไปเรื่อยๆอย่าทุกข์กับอะไรก็แล้ว <c oughs> แต่คำ <c oughs> แล้วโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเราอย่าไปทุกข์กับคำ ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะไปพื้นบ้านต่อนี่ก็บอกการคุณจพันาการาวมาสการพระอาจารย์แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เข้าใจเรื่องที่พระอาจารย์เทศเมื่อสองวันแล้วค่ะระอาจารย์ในเรื่องของไตรลักษณ์แล้วก็ขันห้าวันนี้ก็เหมือนกับมาย้ำมาย้ข้อสงสัยว่า ที่พระอาจารย์บอกว่าสัญญาเนี่ยมันจะมันจะเอาเรื่องเก่าเรื่องใหม่มามาทำให้ตัวสังขารปรงุงแล้วเราถ้าเราไปไปตามมันโดยที่เราไม่มีสติเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรงนี้ก็เห็นเห็นตามที่พระอาจารย์สอนจ้ะค่ะวันนี้ก็ชัดมากขึ้นที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราเห็นแล้วก็คือมาสอนใจว่าไม่ให้ไปตามไปตามปรุงกับมันให้เราไป มองมันโดยการที่เราไปรู้ว่ามันใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ยอมเข้าใจใช่ไหมเฉยไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปทุกข์กับมันไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้ก็เพียงตรงนี้อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ใครก็ด่าเราเรไม่ต้องมาไม่ต้องมานั่งคิดว่าทำไมเขาต้องด่าเราเราไม่ดีเหรอมันอยากยืดดิ่งไง บันทีตอนดีทุกอย่างแต่เขาอยากจะด่าเรจะทําังไงเรก็ห้ามขอไม่ได้ก็าฝ่อยก็ด่าไปก็จบเจ้าค่ะแล้วค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ก็มีต่อต้านแต่ตอนนี้ที่มาเรียนกับพระอาจารย์ก็สงบหยุดหยุดแล้วจช่ค่ะพระอาจารย์เข้าใจมากขึ้นเข้าค่ะหยุดเย็นยอมหยุดเย็นยอมนะเราไม่เห้าด่านะหยุดต่อต้านเขาใจเยนได้เย็น จะได้ยิ้มได้เจ้าค่ะโ <Okay. S 2> อเคเจาค่คุณมอสาธเจ้ค่ะคุณที่รวรรณอดาอดนะ้โฮไปแล้วเมื่อคืนนี้เข้ามาป็นนี้มาภาษาไทยค่ะอ่พ า, ารอพระเจ้าหลวงเพาะเจ้าคาโยมได้ฟังประโรรคของพระอาจารย์ที่คุยกับคุณหมอค่ะตอนตอน้ตนๆ น, นะคะอืมอ่ อ, อาจารย์อธิบายก็ค่อนข้างละเอียดแต่โยมไม่มีองุงความรู้พอที่จะจับให้มันเป็นลูกโซ่มันเหมือนตอนที่โยมฟังเรื่องไตรละกะักษณ์ค่ะทีนี้มันก็ผุดขึ้นมาค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระอาจารย์อธิบายมาเนี่ยมันเป็นเหตุของการที่เราจะต้องกลับมาเกิดเพราะเรามีทั้งหลงและมีทั้งตรุง เราก็เห็นที่พระอาจารย์ย้ำว่าสังขารอย่าไปปรุงมันเพราะเราปรุงเมื่อไหร่มันก็คือการที่จะต้องกลับมาเกิดใช่ไหมคะก็คือการยึดพอยึดเสร็จมันก็หลงเพราะมันแยกออกไม่ได้ว่าอันนี้มันถูกอันนั้นมันไม่ถูกเลยต้องทำให้กลับมาเกิดมันเหมือนลูกโซ่หรือเปล่าคะมันบักหนึ่งจองตายอ่ามันอยากได้แล้วมันก็อยากจะได้อยู่เนี่ยอย่างกีนกาแฟช่วยเดียวมันพอไหมไม่พอใช่ไหม หมดถ้วยนี้ก็อยากจะกินอีกถ้วยหนึ่งกินอีกถ้วยเดี๋ยวไม่งนี้ก็กินต่อกินต่อเพอร่างกายตายไปความอยากกินกาแฟก็ยังไม่หมดเดี๋ยเราต้องไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อได้กลับมากินกาแฟใหม่แล้วการครับความอยากก็มาจากความที่ปรุงแต่งของเราควาอยากจะกินเจ้าค่ะการที่เราจะให้มันเบาบางลงไปก็ฝืนมันจะอย่าไปอยาก จะเดกก็ได้ถาไม่ไม่ดีอืมมีวิธีการไหนอีกไหมคะว่าที่จะขัดเกาวให้ไม่มีน้ำหนักอะค่ะว่าคืออย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราไปยึดมันโยงก็ก็เห็นภาพอะค่ะว่าถ้าเรายึดจากการที่เราเห็นสัมผัสได้ยินอันนี้มันก็เข้ามาทุกทาง คือทําให้เบาลงก็คือมีหลักการคิดของพรูอาจารย์แต่ทําอย่างไรจิตเราถึงจะรับได้ว่ามันก็แค่ได้ยินมันกินเข้าไปมันก็รวมกันหมดเราไม่ต้องแยกแล้วทุกอย่างมันก็สมมุติเขาชมเราก็ดีเขาไม่ชมเราก็ไม่ชอบคือบางอย่างมันอุเบกขาได้ค่ะบางอย่างมันก็ยังกระทบ แม้มะบอกมันไม่ถูกต้องแต่ใจมันก็ยังขุดมันยังขางมันเหมือนมันไม่โล่งโปรง่งใสเหมือนกับที่เราได้ยินได้ฟังคนอื่นอย่างโยมไปสถานที่หนึ่งอะคะ่ะเป็นคัสตอร์ม์เซอร์วิสคนก็ไปใช้บริการแย่แต่คนที่บริการเนี่ยมีแค่คนเดียวคนที่ยืนรอนานๆก็จะงุดหงิดเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ จะจิตโยมเนี่ยเห็นว่าเขาทํางานคนเดียวแต่คนต้องเยอะการที่เราจะเอาใจทุกคนให้ได้เป็ น, ป น, ปนไปไม่ได้อันเนี้อุเบกขาได้แต่พอมาเข้าถึงตนเองเนี่ยค่ะพอแบบมันไม่ได้โยมก็รู้ว่าเพราะเรายึดว่าเนี่ยมันเป็นเรานะเรา ต, ต้องดีเราจะไม่ดีไม่ได้ เราทำถูกทีนี้การที่เป็นตัวเนี้ยกําลังสติโยไม่พออย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเราต้องเจริญสติเจริญบ่อยๆบ่อยๆคี่คําว่าบ่อยๆเนี้ยโยกยังไม่มีกําลังดีแต่โยกก็มาฟังธํามะของพระอาจารย์แม้วันที่สองเมษาค่ะว่าการได้ยินได้ฟังมันก็โยกไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะเจ้าค่ะว่า ก็ตัวปัญญามันก็เกิดได้แต่ดูเหมือนมันเกิดได้เราได้รู้เราได้เห็นเส้นทางแต่กําลังเราไม่พอที่จะไปไปขัดเกลามันให้ดีขึ้นเปิดเดิมเดิมเป็นขั้นๆไปอ่ะค่ะยมยมคนตรงเนี้ยคนเลกไม่ได้ก็ต้องฝึกสติสมาธิยังไงขาดสมาธิทํามีสมาธิแล้วก็ต้องมีสติทําจิตให้นิง่งให้สงบ จิตนิ่งสงบแล้วเวลาสัมผัสอะไรก็จะเฉยๆได้อันนี้มนไม่เฉยพอสัมผัสแล้วป้าเมันจะนักชันโคลงขึ้นมา ท, าทมันทีอล้วไปฝึกสติฝึกนั่งสมาธิให้เยอะก่อนแล้วการได้ยินได้ฟังก็จะเฉยได้แล้วเป็นตัวปัญญาได้ไหมคะแต่ก็สู้นั่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมคะ ก็เป็นคนละเรื่องกันเรื่องปัญญาก็ต้องสอนว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมันเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปแล้วเขาด่าเราเสร็จแล้วก็ผ่านไปแล้วมันเอาไปเอาไม้มันถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็หายไปแล้วใช่ไหม <c oughs> คําพูดของคนนี่เราชอบไปเดินกับกับมันคิดอยู่เรื่อยๆมันก็เลยมันก็ไม่หายไปสักทีเป็นคว <ะ S 1> ามยึด <วะ S 1> ติดความยึดติดของเรา อย่าไปยึดถต่เสียงมันพอพูดป้ามันก็ผ่านไปแล้วหายไปแล้วเรามายึดเอามันคิดอยู่นี่ยืแต่ถ้าจิตเราเงียบสงบเป็นสมาธิแล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ติดเท่าไหร่ไม่ยึดอะไรมันก็ปล่อยให้มันก็ผ่านไปอันนี้ใจเรามันไม่สงบกิเลสมันมันชอบดึงนอเรื่องต่างๆมามาคิดซ้าแล้วซ้าอีก ก็ด่าเราแต่เมื่อวานเนี้แลมัน ว, วันนี้ยังมานั่งคิดอยู่นะแล้ ว, ลวตัวนี้เป็นตัวทําให้เรากลับมาเกิดใช่ไหมเจ้าคะนั่นแหละทั้งหมดไม่ต้องไปสนใจเรื่องกลับมาเกิดตอนนี้เราเอาเพียงแต่ทําให้ใจเราไม่ไปทุกข์กับมันก็พอนะมันทําไม่เคยได้จ้าค่ะไปทําก็ไม่ได้ก็บอกให้ฝึกสติ ง, ง่ายๆเลยเข้ามาก็เริ่มพุโทโธไปเลย ไยากเย็นตรงไหนเราลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปลุกขึ้นมาเดินยืนไปมำอะไรในห้องน้ําก็พุโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันไปคิดในขั้นดีนานคนไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แลเว้นว่าเรื่องจำเป็นจะต้องคิดว่าเอาวันนี้วันอะไรจะต้องไปทําอะไรออันนี้ก็คิดได้พอพอคิดเสร็จแล้วก็อ่าหยุดคิดต่ออย่าปให้มันคิดอคอยกู้กับคิดไว้เรื่อยๆ ดีวเวลาเราว่างมันั่สมสาธิใ จ, จมันก็จะนสงบได้ง่ายต้องทําดี๋ยวม่ทำมันก็ไม่ได้เริ่มที่สติก่อนพูดโทรศัพท์พูดโทรศพูด ท, ดทไปถ้าเราไปพูดโทมันก็จะไปยึดอำนานเรื่องที่ไปได้เจ้ค่ะครับโอเคนะอเ ค, อคเดกต่อจากเชียงราย ตอนที้ภาพมันขอายไปเลยนะภาพมันจำตัวการนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้อาการ้อนครับอาจารย์ร้อนรอนแล้วก็หมอกวันด้ครับอาจเชี่แรงก็แรงเหมือนกันนะสอจุดครับผมก็วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ผมปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์ครับอาจารย์โอเคครับผมที่ท่านตอบไปเลยไปที่ทานตอไปเลยนสาจาเอ ตอนนี้เยังไม่ค่อยมีควันแล้วใช่ไมไม่เหมือนสบายก่อนที่เราอยู่นันเวันเยอค่ะกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ไม่มีควันค่ะแต่ว่ามีควันอากาศมีควเยอะมากอ๋อเหรอคะไม่ไม่มีค่ะแต่ว่ามันจะมีถ้าถ้าถ้าแบบช่วงที่ว่าลมแรงๆอะไรเงี้ยคะ่ะช่วงที่แบบอากาศแห้งๆก็จะมีไฟไหม้อะไรเงี้ยเป็นประจำแถวมาริบูอะไรเงี้ยมันก็จะควันมาเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ แต่ปีนี้มันฝนเยอะค่ะพาาระจันทร์เลยไม่ไม่มีเรื่องพวกนี้ค่ะเพราะเดี๋เมื่อก่อนนี้น้ำมันมันไม่ได้รับการกรองกนะันเดี๋ยวนี้เขาคุมหมดใช่ไหมการปล่อยเครื่องไอเสียออกมาเนี่มันมีตัวกรองมี อ, อะไรมนะันมีมาตรฐานคอยควบคุมบังคับไม่ให้ไม่ให้ปล่อยอากาศเสียออกมาอ๋อค่ะค่ะสงสัยเขาคงให้จัดพวกลงไอ้ะอะแบบพวกอ โรงงานอะไรออกไปไกลๆนะคว่าน้ามันก็ต้องเป็นบ้านทาการที่ไม่ให้มันผลิตความพิษออกมาค่ะค่ะพระอาจารย์อันเดเดอันเยงมีหรอป่าค่ะะอาจารย์ไม่ไม่มีอะค่ะไม่มีแล้วน่ออนนี้อันเล็ดเดือไม่ปตะกัวไม่มีสารตะกัวค่ะพระอาจารย์ก็เขาก็ควบคุมตรงนี้ดีอะค่ะอันนี้ก็าอากาศโปร่งใสค่ะก็ตอนนี้อากาศดีดีแล้วค่ะไม่มีฝนแล้วค่ะพระอาจารย์ คงคงเริ่มเข้าสปริงแลค่ะแต่ก็ยังหนาวอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ลมแรงมากเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่ามันเกิดจากอทอร์นาโดอะไรหรือเปล่าลูกก็ไม่ไม่แั่นใจค่ะคแต่ลมแรงแรงมากๆเป็นอาทิตย์แล้วค่ะก็อากาศมันเปลี่ยนค่ะก็วันนี้ลูกไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เ <Okay. S 2> ข้าม <Okay. S 2> าร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะก็ยังเพียรปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์พยายามฝึกสติอยู่ตลอดเวลานะ ค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ ะ, อะขอให้พระอาจารย์ทาตุขันแข็งแรงนะคะอย่าสาธุคุณนาิกาจากนาราธิวาลกลับนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์ค่ะก็การเจริญสติก็เจริญสติอยู่นะคะพระอาจารย์แต่ว่าพอได้เราได้ย้ำเตือนในสิ่งที่เราต้องเจริญสติไปแต่บางครั้งเราก็สิ่งที่เรา อยากจะจำกับลืมสิ่งที่จะกจะลืมกับจำนี่มาสาเหตุจอะไรครับอาจารย์ข้จาดการกิเลสไงบางทีกิเลสมันไม่อยากให้เราจำเราอยากจะจำแต่มันไม่อยากให้เราจำบางอย่างที่เราไม่อยากจะจำมันก็มันก็จะจำให้เราเนี่ยการขาดไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็หยุดมันได้อืม <c oughs> ใช่นั่นก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะพระอาจารย์นี่ตอนนี้แหละในช่วงเดือนเดือนห้าแหละค่ะพระอาจารย์ <c oughs> เขามีการไปทําบุญให้กบับบรรพบุรุษนะคะนที่เกิดเป็นเป็นเดรัจฉ <c oughs> าน <c oughs> เป็นเป็นเป็นรเป็นอสุรกายเป็นเปรตเท่านั้นนะะแล้วทําไมที่พระอาจารย์เคยสังเคยความพระอาจารย์แล้วว่าพวกเปรตเท่านั้นที่จะได้รับส่วนบุญไม่ได้ ใช่ถ้ามีพวกเดียวพวกเปรตเนะี่ยเปนพวกมิจยา dominia ที่มีความหิวโหยพวกอื่นเขาไม่ได้มารารับบุญเพราะเขไม่เขาไม่นะมบบไมไมจําเป็นจะต้องอาศัอัยบุญคนไหนเด็กชายเขก็หากินเขาได้พวกนัลกลบคนนี้ก็มันก็ไม่มีเวลามามาหาบุญเพราะมันมีแต่ความเกลียดแคงขนขดอาฆาตพยาบาทรุกรานกับพวกอาฆาตพยาบาท โลกอัศว์กายก็มีแต่เรื่องหวาดที่ตอบกําวลหวาดกลัวเรื่องเรื่องเรนี้มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีความอยากที่จะไปขอบุณจากใครมีแต่พวกเปรตที่มีความหิวความอยากได้ต้องอะไรก็ไปหาบุญมามาเลี้ยงมันโทษนะครับอาจารย์แล้วอสุรกายลเหรอครับอาจารย์อสุรกายก็ดวงวิญญาที่มีแต่ความกลัวกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้กลัควคนนั้นจะมาทำํำร้ายเรากลั ว, วมีแต่เรื่องหวาดกลัว เป็นดวงวิ ญ, ญาณที่เป็นคำหวาดกลัวดังนั้นนะคะพระอาจารย์การที่จะไปทําบุญในช่วงนี้ทําอย่างไรนะคะเจ้าค่ะจะให้ได้บุญได้ถึงส่วนพ่อบุรุษได้อย่างเต็มที่เจ้าค่ะโอ๋ออันนั้นเป็นเรื่องเรื่องยากเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในอยู่ที่ไหนตอนนี้<ม>อาจจะเป็นเทวดาก็ได้เขาอาจจะเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เขาอาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ เราไม่รู้รอนอกจากเข้ามาเข้าฝันเราเท่นั้นเองงั้นก็ทําไปตามธรรมเนียมเราไม่ต้องไปหวังอะไรมากเรื่องบนบนที่นี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมันมันจะว่าไม่สําคัญก็ได้เพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าคนที่เราส่งไปสิ่งที่เราส่งไปคนที่เขาจะรับได้หรือเปล่าก็ไมเขาจะอยู่รับหรือเปล่าก็ไม่หรแต่ในเมื่อเราเชื่อามาก็ทําไปตามทรรเนียมแต่ความเป็นจริงแล้วคนถ้า ตามกความเป็นจริงแล้วควรจะทําเฉพาะเวลาที่เขามาหาเรามาขอเราเท่านะั้นะแสดงว่าเขาต้องการนะแต่เราก็ไม่รู้อีกครับพราเราไม่มีปัญญาไม่มียานอย่างสร้างหมือนพระพุทธเจา้าเราก็ทําเผื่อไว้ทนะ่านนี่เวลาทำบุญที่เขาขึ้นที่นี่ที่ไปที่นี่ที่เขาจับเป็นเป็นเป็นประเพณีทาเนียมเพื่อจะได้รักษาคทำทาเนียมอันนี้ไว้ ถ้าไปจับแล้วมันก็จะเลือนไปแล้าจริงถ้าจะคิดถึงพูดเรื่องรองรับไปแล้วก็วเวลาครั้งงที่เราทำบุญก็กดน้ำที่บุนไปให้เข้าไปมันก็จะรับหรือไม่รอรับแล้วไม่เป็นปนัญหาอะไรสาธุเจนะ้าพระอาจารย์สาธุเห็นนะสาธุเฮก็มันเป็นงไงแล้วไม่เห็นหน้าเห็ตาสักทีไม่เห็นเ ห, นหรอคะพระอาจารย์เออ เป็นยังไงไปดเห็นแต่้าเห็นแต่หน้าผากไ่าบนกันสามอาทิตย์แล้วว่ามันมันบอกไม่ถูกว่าเปิดแล้วเปิดไม่ค่อยได้มันปรับไม่ได้สุกตาปรับอาจจะว่าปรับไม่ได้รู้ว่าปรับไม่เป็นกไม่ทราบเหมือนกันกับพระอาจารย์นิดนึงเห็นแต่หน้าผากเห็นแเห็นแต่ผมครับไม่ไม่อยากจะเจอไม่อยากจะเผยชมหน้าสวยงามไม่ใช่ค่ะพระอาารอาจจะว่าทาไมไม่เห็นพะหรือว่านั่งอยู่ ที่มันต่ำเกินแต่ลองยิ้มขึ้นมายิ้มขึ้นมาเออถ้าอย่งเห็นเอออย่างงี้อ๋อก็แสดงว่าที่นั่ง<อ>ต่ำมากอั่งแล้แลไม่มีกล้องดูแล้วว่าหน้าตาเราเป็นยังไงเวาลาเราเข้ามาในนี้แต่ก็เพิ่งแบบว่าจะบางทีนั้นมันมันเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ก็แบบมันที่แคบๆที่นั่งเพาว่าถ้าไปที่ตรงอื่นอาจจะว่า ุดคนคนอื่นนะแม่จ๊ะเราก็เราเราปรับให้มันต่ำแล้วให้มันหันต่าลงมาหน่อยไม่ได้เลยค่ะสาธุคะคะจ๊ะรามันก็เมนกระจกอ่ะต้งมันก็มืนกระจกกระจกเราก็ปรับได้่ยกระจกรถยนต์เนี่ยร้มันสูงว่ามันต่าได้แต่ไม่เป็นอะไรแนี้ก็ได้พูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวปรับใหม่ไขมาสักเฉยเฉยหน่อยว่าสังเกตมาที่ใดได้ แล้วมันมีที่วางอยู่ค่ะอาจารย์ที่วางโทรศัพท์อยู่เป็นใช้โทรศัพท์ค่ะอาจารย์ก็สูงแวนตั้งมันสุกแวนลอดมันต่ํามาถือค่ะถ้าออก <Okay. S 2> มาทิ้งเลยกยังมีปัญหาอยู่ว่าอาจารย์ถามวันึกขึ้นม า, ม า, ม า, ม า, มามแล้วโอ้โหนี่นะมริกาเอ้ยยังทําไม่ได้แล้กทีหนึ่งสองปีแล้วมันจะไปฆ่ากิเลสได้ไงคะค่ะถือเด็กน้ อ, อยก็ได้มากราบว่าอาจารย์นะว่าอาจารย์กราบว่าอาจารย์ก็ต้อง ได้ปฏิบัติก็จิตใจก็พัฒนาขึ้นแล้วไม่ไปพุ่งซ่านมากก็แค่นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลมากเลยค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าก่ะอะไรที่คุณสวัสตาจากยาราเซ็กซ์สถามนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังวันนี้ไม่นาวนะวันนี้ เออก็ยังพูดกับสามีเมื่อวานว่าเ อ, อไม่มีสปริงเลยนะคือวินเทอร์ก็ซัมเมอร์เลยอันนี้ร้อนเลยคือสามสิบทุกอ่ะอ๋อทิตนี้นที่นี้ก็จะเกือบสามสิบตลอดเจ้าคะ่ะยี่บแปดแล้วก็เหมือนคุณนิชาที่แอลเอเจ้าคะ่ะลมแรงทุกวันเจ้าคะ่ะแรงมากมากก็เลยแซว ก, กันว่าไม่มีสปริงเลยจากวินเทอร์ก็เข้าซัมเมอร์ นี้ไม่มีอะไแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนไมีจร้วค่ะจ็รับกับอากาศไปอ่ะเจ้าค่ะก็ก็ก็ตอนนี้ก็สามีก็เริ่มจะเปิดแอร์แล้วเจ้าค่ะก็คือ <c oughs> <c oughs> ฮีตเตอร์ก็เป็นแอร์ทันที <Okay. S 2> ไม่มีสปริงเลยเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะ <Okay. S 2> อากาศขอบพระคุณอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์สายเทียมหน้าตาเปลี่ยนไปหลายครั้งเลยผมหายไปเยอะเตอนนี้ <c oughs> ผมผมมันผมมันมันดีค่ะพระอาจารย์มันหดกันด้วยค่ะ <c oughs> แต่ก็น่าจะอ้วนขึ้นด้วยค่ะแก้มใหญ่ <c oughs> ช่วงนี้ได้บทเรียนแล้วก็แบบฝึกหัด อ, อปีๆมาด้วยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> อยู่ๆก็พี่คนดูแน่ใจหรือมนันแรงคบห้อง <c oughs> มันก็ฝนหมดเลยก็เลยแจ้งแม่บ้าน <c oughs> เขาก็เลยบอกให้ย้ายห้องค่ะพระอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ย้ายเลยเราก็ <c oughs> ย้ายเลยเหรอเขาบอไม่งั้นเขาต้องซ่อมใหญ่ ก็เลยได้เห็นว่าเอ้ยห้องมันก็เหมือนร่างกายของเราอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ห้องมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของเขาส่วนตัวเราก็เหมือนวิญญาณแล้วก็ต้องไปแต่ตัวเราแล้วก็สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือแอะมานที่เป็นเหมือนบุญของเราอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็ได้เห็นว่า แล้วเราก็ยื้อไม่ได้ด้วยค่ะพระอาจารย์แม่วันอกว่าเราขอกลับมาได้ไหมแม่วันนว่าไม่ได้อาจารย์ไปแล้วไปเล ย, <c oughs> <c oughs> เยก็เลยอ๋อโอเคเมื่อถึงเวลาที่ไม่ใช่ของเราเขาก็ให้เราออกไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนเรายื้อล่างกายไว้ยื้อห้องนี้ไว้เราเราเราอได้ที่นอนบนไปเรื่อยๆเพื่อหลบฝุ่น <c oughs> แต่ห้องท้ายสุดมันก็ไล่ที่เราก็คือห้องมันก็ค่อยๆแบบเหมือนมีมแมลงหรืออะไรที่มันทําให้มีฝุ่นลงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้ได้เห็นว่าเออนี่เนาะไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยค่ะ ก็ก็ก็ได้เหมือนเป็นข้อคิดว่าร่างกายก็คงเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นกระดูกเท่าเส้นประสาทนะคะพระอาจารย์วันนี้ก็ไปหาคุณหมอก็ถามเขาว่าจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าวิธีปฏิบัติห้ามนั่งเกินหนึ่งชั่วโมงห้ามยืนเกินหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แล้วก็อาจจะต้องเช็กลูกมาตอยนิดหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราข้อมือเราทํำไมมันแข็งแข็งไปได้วยกันแต่ว่าจิตใจไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ ไ, มได้กังวลใจนะคะพระอาจารย์ก็คิดว่าถ้าเป็นก็รักษาหาเป็นอะไรก็ก็เป็นไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้นั่งสมาธิหนูก็เลยว่าเอ๊ะท่านั่งสมาธิคือถ้าถ้าไม่ใช่กันนั่งสมาธิก็คือก็จะทําเหมือนที่คุณหมอนแนะนําค่ะแต่ว่าถ้านั่งสมาธิก็คิดว่าจะนั่งยาว ไปเลยเกินชั่วโมง ก, ก็เกินชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> คิดว่าจะจะทําแบบนี้ค่ะพระอาจารย์มันก็ไม่ต้องทําแบบตายตัวหรอกไม่ต้องทําแบบชั่วโมงสลับชั่วโมงปัดกันได้เฉลี่ยวไปได้ช่วนี้เราจะนั่งละสองชั่วโมงก็พายไปเดินสองชั่วโมงต่อไปได้อไไดืมค่ะเราดูที่ผลก็ดูที่ความรู้สึกว่ามันเจ็บก็มไม่เจ็บก็แล้วก็พออ๋อ ก็คือถ้าเจ็บก็ไม่ต้องฝืนมากก็อาจจะให้มานเดินใช่ถ้ามันเจ็บก็ไม่ต้องไม่ฝืนไปแต่ว่าถ้าถ้ามันไม่เจ็บก็นั่งไปเดินไปมันไม่จำมันไม่เป็นสูตรตายตัวหรอกว่าไม่ไม่ต้องถึงกับบังคับตัวเองว่าจะต้องนั่งดูผลที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงถ้ามันมันเริ่มมันเรเจ็บก็แสดงว่ามันมันส่งสัญญาณแล้วว่าต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนถ้าถ้ามันไม่เจ็บก็ แล้วก็นั่งไปนั่งไปเดินไปแล้วแต่แล้วแต่ค่ะก็คือถ้าถ้ามันสงบเราก็นั่งไปแต่ว่าถ้านั่งถ้าถ้าปวดไม่เท่าไหร่ก็นั่งไปแต่ว่าถ้ามันปวดแบบเอ้ยไม่ได้แล้วก็ก็ไม่ควรฝืนถ้าถ้าเราอยากจะรักษาล่างกายก็ฝืนไม่ได้ค่ะค่ะแต่เราอยากจะรักษาใจมากกว่าล่างตายก็ชั่งว่ามันเดี๋ยวล่างกายก็ต้องทิ้งมันไปเองค่ะ <laughs> ก็ค่อยชั่งเอาใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ต้องเลือกเอาจะเอาอะไรเอาร่างกายไปสักหน่อยมันก็ดีโดนทางใจเล้วไปอยู่ทางร่างกายค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ทีนี้หนูมีเรื่องจะสอบถามพระอาจารย์พระเอิญได้ยินคำว่าสอบอารมณ์เจ้าค่ะว่าสอบอารมณ์นี้มันคืออะไรแล้วก็อย่างมีครูบาอาจารย์สอบอารมณ์ให้หรือว่าเราสามารถที่จะสอบอารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ตามจริงข้าวสาบอารมณ์มือถือทำข้อสอบเนี่ยเวลาเวลาเป็นมาแรงขึ้นมาเนี่ก็สอบอารมณ์ดูอารมณ์เราเป็นยังไงปกติไหมถ้าเป็นปกติก็จะสอบตกถ้าเฉยเป็นปุบัติการก็สอบผ่าก็คือเช็คตัวเองด้วยก็ได้ก็คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติที่มันจะต้อง ที่คนทั่วไปจะผ่านได้แล้วเราผ่านมันได้ไหมก็เหมือนถามใจตัวเองงเงี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แต่ถ้าไปอยู่กับครูอาจารย์เราถ้าท่านจะสอบอารมณ์เราโดยที่เราไม่แต่ท่านจะไม่บอกว่าเจะมาสอบอารมณ์เราเราต้องเตรียมตัวทางวิสอนอยู่างงี้พอสอนท่านก็มักจะเจอโดนดาขอด่าขึ้นมาเป็นไงใจเราเฉยมากลื่นลื่นลื่นแต่ลื่นก็สอบตกอือค่ะ ค่ะเพรบางทีเราอาจจะคิดว่าเราแบบรับได้ทุกอย่างต้นดาทีเดียวน้ําตาเล็ดอะไรเงี้ยบางครบางแห่งก็สาะลมด้วยกันมาคุยอย่างเงี้ยคุยถามว่าไปยังไงปฏิบัติไ ป, ปยังไงแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมาอบางทีก็เลยเป็นเสาะอารมณ์ดกันแต่ก็ยังไม่ใช่สาะอารมณ์ไม่เพีแต่สัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์มากาอ่าปฏิบัติไปถึงไหนแล้วอืรับข่าวกดได้เปล่าอะไร แต่ถ้าสอบอารมจริงๆก็จะไม่ถามเรกมันก็จะไม่บอกล่งหน้าว่าจะสอบอารมณ์เช็คเลยเช็คเลยอยู่ดีๆบางทีค่ะเปียงเลยไล่ไลกลับบ้านไปเลยอย่ามาอยู่เกะ ก, กาอ๋อค่ะอืมก็จะชอกอยู่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์เราก็ต้องเปลี่ยนตัวว่าบันเวลานิจันไม่มีอะไรแนะ่นอนเราจะยึดจิตไม่เมื่อท่านไล่ออกไป ถ้าเราถ้าเราคิดว่าท่านสอบอารมเราไปแล้วเราก็กลับมาใหม่ดูที่ท่านจะว่ายัางไงอถ้าถ้าสอบเราท่านก็ไม่ว่าเลยท่านก็อแสดว่ารู้กันค่ะแต่ถ้าไปแล้วไม่กลับก็แสดงว่าสอบตกสอบตกไปเลยไม่รู้ว่าท่านสอบอารมเราอมาืมค่ะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคะ่ะก็คือเช็คเองก็ได้ตัวบาอาจารย์เช็คเราก็ได้ใช่มันมีอาจที่เขาเล่าให้ฟังว่าไหมคุณนี ยิ่มาทบนกับนงปู่น้องตาทบนแล้วทีเด็ายมนเล ย, ย, เลยความ่ความโกรธคหล ง, ลงลมันไม่หายไปไหนหมดนงปู่อี้ต้อนแหละ <c oughs> โู่ท่านเนี่ยโกรธท่านเลยลกลับมาแล้วสอบประมงก่อนหน้านี้มันหายไปท่านดา่ามันก็เลยกลับมา <c oughs> <c oughs> ค่ะอนุนเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ก็คือเช็คเสงด้ยได้การเช้าวันก็เช็คกันด้ยอ็ถ้าคนหนึ่งเขาจะไม่บอกลน้าหน้าบ่ามันนี่จะสอบมโนนะแต่ฉันอยากจะเป็นอาจารย์นาที่ท่านจะสาบมโนของเราคนหนึ่งเขาไม่สอบก็าจริงก่อนจังกันเราเขาดดจริงแดจริงฝนจริงแต่ครูอาจารย์ท่านท่านเป็นกิริยาท่านต้องการจะกระตุ้น กิเเราเนีมีมีมีกิเลสกิเลสของเหลืออยู่เปล่ะยังจะก่อนเปล่าอืมค่ะเหมือนเช็คเราว่าเราขาดหรือเปล่าอต่ถ้าเป็นคนอื่นเข้ามาอกจริงนอะเขาไม่ได้เช็คเชก็ไม่ได้สอบอารมณ์แล้วเขาเขาสเราจริงจริงแต่เราถือว่าเป็นการสอบอารมณ์ไปในตัวสําหรับเราว่าเข้ามาสอบอารมณ์มาแล้วมันจะก่อนเข้าทําไมค่ะเหมือนเป็นแบบฝึกหัดเราที่เขาให้เราเขาไม่รู้เรื่องว่าเป็น เป็นแบบพฤติกรรงก็ไม่ยอมเราไปแล้วขรอโกดเข้าพอแล้วข้ากรธเราข้อโกรธเราจริงๆค่ะแล้วเราค่อรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราตอบไหมหรือเราเราสอบผ่านหรือเปล่าเราใช่หรือเปล่าแล้วก็กลับไปโกรธข้อข้อค่ะได้ค่ะพระอาจารย์หนูเข้าใจแล้วก็คิดว่าก็จะเช็คตัวเองไปด้วย เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เช็คด้วยแต่จะพระอาจารย์อย่าเพิ่งไล่ออกออกไปจากซูมเลยนี่ถ้ามาตอนแล้วถ้ามาตอนแล้วเลยโกดธว่าตอนนี้ไม่โกรธค่ะตอนนี้เตรียมใจทันตอนนีู้้วสอนทบอค่ะพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์แบบนั้นคงงง ค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่มีคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะอย่างทั้งสมาธิเช้าแล้วก็เย็นอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะสาธุค่ะัที่คุณมอสุดาเสนวันนี้มาฟังเทศที่วัดกลับมาแล้วนะถึงบ้านแล้วนะน้ำมัศการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะเดียวเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามนะ เป็นงานรถติดไหมจากวัดไปถึงบ้านใช้เวลาเท่าไหร่ถึงบ้านที่อื่ประมาณสองทุ่มเจ้าค่ะสองทุ่มเาะวัดที่อื่นด้วยนะอ๋อแวนทานข้าวใกล้บ้านเป็นข้าวไข่เจียวแป๊บเดียวก็เข้าบ้านเลยเจ้าค่ะอ๋อแหวนพาลู่สาวทานข้าวแล้วก็เข้ามาเลยรถติดไ้มเจ้าค่ออกรถติดนะออกจากนั้นก็ประมาณเท่าไหร่สี่โมงสามโมงกว่าไปสามโมงกว่าค่ะอ เอาไว้เขาเส็จเข้าไปเลยกลับเลยเจ้าค่ะ ม, มาคนเดียวแล้วก็เลื่อนมากับลูกมากับลูกสาวค่ะแล้วก็แฟนขับรถมาให้เจ้าค่ะไม่เป็งงไงถึงมาฟังได้ยู่ที่บ้านกฟังได้ไม่ใช่หรือเวลาไปแล้วมันปิติมันอิ่มเอิบเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลานั่งฟังที่ภูฏิมันสงบมากเลยเจ้าค่ะบรรยากาศมันมัน ไม่เหมือนอยู่ที่บ้านนะบรรยากาศมันดีกว่าอ่าคนรอบข้างด้วยเจ้าค่ะทําทให้เราตั้งใจแล้วก็จดจ่อมากเจ้าค่ะคือคนก็ตั้งใจฟังทุคกคนนะไม่มีใครทําอะไรอใช่เจ้าค่ะไม่มือนอยู่ที่บ้านเราจะนั่งฟังไหนคนหนึ่งอาจจะทํานูดนทำนี่กุกกี้ก็เกินไปอยู่ที่บ้านอยู่กันสามคนเจ้าค่ะก็ค่อนข้างไม่ค่อยวุ่นวายเจ้ า, าค่ะก็ดีเพราะเช่าก็ดี เช้าข่ะโอเคมีอะไรไหมไม่ไม่ไม่มีนะขอบคุณค่ะยิไปที่บุญตายพัทยาบุญตายจะททำตัวเป็นเต่าปฏิบัติแบบเต่าดีกว่าปฏิบัติน้องเต่า้องกัคะอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังค่ะอาจารย์ดีแล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาดานะขอร้องเข้าอ่ย ไมค่ะถ้าเกิดแล้อผู้จารย์ด่าแล้วเราก็ออกไปแป๊บหนึ่งแล้วแล้วอีกวันนึงนี่ถือว่าเช้าไหมคะอาจารย์ก็มันต้องไ ม, ตงไม่ต้องไม่มีอะไรเลยแล้วเฉยเลยมยนันได้หยุดยิงด่าก็ว่าเป็นข้อสอบก็กลัวเหมือนกันนะคะผู้าจารย์ดึงวอาจารย์สอบอารมณ์ผ <c oughs> ู้จาร์จะสอบเวลาสอบอารมณ์ไม่สอบต่อหน้าคนเยอะๆหรือว่าแบบ เราไม่เคยสอบใครหรอกเราไม่เคยสอบใครแต่บางครั้งบางคราวเราทำอะไรไม่ได้ทําตามที่เขาต้องการเขาก็เขาก็ไม่พอใจนะ <c oughs> บางทีเขาเอาของมันถวายให้กินเพราไม่ติดเขาก็ไม่พอใจนะ <c oughs> ย้าเรากินของทุกอย่างได้ไหมหน่อยใช่ไหมบางอย่างเรากินได้แล้วกินของบางอย่างากินไม่ได้เราได้คนหนึ่งไปแล้ว ไ, ไม่กินเองเาแต่เขา จำจำได้อยู่เลยว่าครั้งัแรกที่หนูไปถวายที่หอฉันเป็นปีๆเลยค่ะเวลาหนูยกถวายหนูยกถวายผ้าจารย์แต่ผ้าจานเข็นเข็นไปเข็นไปดุกครั้งยไม่เคยไม่เคยหยุดบนเดียักครั้งหนึ่งเลยผ่านไปประมาณเกือบปีค่ะแล้วก็พอะ้าจารนหยิบมาชิ้นแรกโอ้รู้สึกว่าใจมันเปื้อนมันตื้นมันตันมากอาจานแต่ตอนที่เข็นไปตอนแรกๆนี่ใจหาย ว้าววา แ, แต่พอฟังเทศพระอาจารย์มากขึ้นมากขึ้นว่าของนี่เราถวายไปถึงเราก็ได้บุญแล้วหรือว่า<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรถ้าท่านไม่ฉันองค์อื่นก็ฉันอะไรเงี้ยค่ะใช่มื่มีพระน้องเยอะเนะ่ย้าเราหยุดทุกอย่างหมดแล้วพระข้าขงหลังก็ไม่มีกิ น, นค่ะค<ช>่ะนึก น, นึรู้สึกแบบว่ออาครั้งแรกที่มาจาันอยู่ตื่นตัน ม, มากเลยแต่ก็ แต่ก็ปล่อยวางนะคะอาจารย์ตอนแรกตอนแรกๆที่ไปถวายนี่แบบโดนเข็นดิ้งเข็นดิ้งใจหนุนแม บ, บแมแมหายไปแบบแล <c oughs> <c oughs> ้ว่าเอ๊ะทำไงน้องจะจะหยิบของเรามั่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จนแบบว่าจ่ายบัตเป๊บๆแต่ตอนหลังมานี่ก็ <c oughs> อย่างที่กลับไปพระอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมะอาจารย์ไป็นๆก็รู้สึกว่าอืมไม่เป็นไรเราทําไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไดุ้ผเของเราให้ไปแลนะ <c oughs> เ, าเนขาจะไปทำอะไรต่อมันไม่ใช่ของเรานะให้คิดอย่างนี้ ถ้าเราจะได้สบายใจใถ้า <พอ S 1> เรายังไปทางจะไปจ้องอยู่ว่าเขาทำอย่งางมู้นทํานี้หรือตามที่เราต้องการหรือเปล่าแสดงว่าเรายังเรายังไม่ปล่อยเรายังไม่ให้ใช่ค่ะแล้วเราต้อไม่สนใจแนละ้วเป็นของเขาแล้วเขารับไปแล้วเขจะให้ใครต อ, อบเขจะเอาไปกินเองไม่ไปไม่กินเองก็เรื่องของเขานะใช่ค่ะอาจารย์นี่แหละค่ะที่หนูทาได้ทําบงแบบปล่อยว่าอย่าไปยึดเป็นติ๊ แล้วจะได้บุญเยอะว่าใจจะได้สบายอ่านไปยึดไปติดว่าถ้าท่านกินหยิบของเราเนี่ยถากินของเราพอท่านไม่กินจะเสียใจท่านที่จะได้บุญกับได้ความเสียใจแต่ตอนนี้หนูไม่มีแล้วค่ะอ่าใช่ค่ะอาจารย์อ่าทุกอาจรย์พูดวิไลไม่ได้เปิดกล้องไม่เท่ามันจะพูดหรือเปล่าเดี๋ยวข้าไปก่อนนะท่านจะพูดต้องเปิดกล้อง อห้ที่คุณชนะตาฟังนวันสการเจค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงออกมาแล้วเหละไร้งอยู่พรุ่งนี้เช้าค่ะพรุ่งนี้เช้าพุ่งนี้เช้าจะไปถวายสารเปาค่ะพระอาจารย์รรอยู่มากี่วันแล้วอยู่วันที่หนึ่งค่ะหนึ่งในวันนี้ห้าวัน้วค่ะเขาจริงๆเขาจัดวันที่สามอะค่ะแต่ว่าลูกมาก่อนเพราะว่าดูผิดอะค่ะดูผิดว่าเป็นวันที่หนึ่ง ก็เลยพอดีท่องว่าพอ ด, ดคีค่ะค่ะก็เลยก็เลยอยู่ไปเลยเพอตั้งใจมาอีกแล้วด้วยค่ะพอดีค่ะได้ประโย์ไหมได้ประโยชน์ไห<อ>มได้ความสงบไหมดีมากเลยค่ะพระอาจารย์รอบก็รอบนี้คือพี่ที่ทตอนตอนต้นรายการพระอาจารย์สอนเรื่องอขันท่าเป็นเรื่องที่พอดีว่าลูกอ่ะจะเรียนถามท่านท่านพระอาจารย์พอดีเพราะว่าลูก ยังมีข้อสงสัยตรงนั้นแต่ว่าฟังไปแล้วรู้สึกว่าเออ่โอเคเลยค่ะพระอาจารย์ตรงพอดีเลยค่ะตรงกับที่สงสัยอยู่<ม>แล้วก็ในช่วงคือพอไม่ทาน ค, คือคือทานอาหารนะคะทานแค่เป็นผลไม้เล็กน้อยมื้อเดียวค่ะพระอาจารย์กับถั่วผลไม้กับถั่วแค่นั้นนะคะแล้วก็นมแก้วหนึ่งแค่นั้นเลยค่ะ<ม>แล้วตอนบ่ายอาจจะมีน้ำผลไม้เล็กเล็กหน่อยเดียวแค่นั้น<ม>เองค่ะ รอบนี้ไม่เอาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ทานเยลลี่เลยค่ะพาาระจันทร์ mm. ก็ท้องมันก็ว่างๆดีนะคะมันก็มีหิวมีอะไรบ้างแต่ว่าเวลาภาวนาแล้วมันไม่ง่วงเง่ค่ะพระจานทร์ได้นหมค่ะค่ะไม่ง่วงเลยอันนี้ดีมากเลยค่ะพระจานทร์ mm. แล้วก็อย่างเมื่อวานเนี้ยก็มีอาการอยู่ว่าเริ่มอยากกินอาหาร <laughs> เริ่มคิดถึงของอร่อยของชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเบื่อเบื่อมันมีอารมณ์นี้แบบรู้สึกเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อแล้วก็อยากกินอาหารอยากออกอะค่ะว่าว่างันนะค่ะภาจารย์แต่ก็ทนไปค่ะทนไปพอข้ามได้เราพอเข้านั่งสมาธิตอนเย็นก็ดีอค่ะอาจาย์ก็เข้าได้ก็เลยก็เลยเริ่มเข้าใจอะค่ะะอาจารยนช่วงที่เราอาหารนี่ถ้ามันอยากอยากกินอาหารเราต้องอย่าไปคิดถึงอาหารในจาน เา ค, คิดถึงอาหารใหม่อาหารเก่าในท้องเราแล้ว <laughs> <laughs> แล้วก็ลู ก, ก็อ่านหนังสื อ, อสวดมนต์นะคะจะมีอันหนึ่งที่บอกว่าสัพเพสังขารา น, นิจังสัพเพสังขาราทุกขงังสัพพธทัปมาคะ า, า่าลูกก็เอาอันนี้ค่ะตอาไว้กับทุก ท, ทุกที่ค่ะ่ะ ขันห้าแล้วูต่างๆขันห้ามันมีทางของเราและทางของคนอื่นเนี่ยก็เป็นขันห้าเหมือนกันค่ะพาจารย์ค่ะแล้วก็เออมันจะมีอันหนึ่งที่บอกว่าเอ่อเวลามันจะมีความคือจริงๆมันเป็นสัญญาคือเรื่องเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วอ่ะแล้วเรามันมันมันกลับเข้ามาเนี่ยในเป็นระยะระยะอันนี้เรียกว่าสัญญาใช่หมคะพระอาจารย์เสัญญาพอเสร็จแล้วเนี่ยลูก บางครั้งคือมันเป็นเรื่องความทุกข์อ่ะที่ทําให้เราเสียใจน้ําตาจะไหลเนี้ยค่ะพระอาจารย์ลูกก็แบบก็นึกย้อนไปถามมันเอาใครสั่งให้ไหลใครสั่งให้ไหลน้ําตามาจากไหนใครสั่งให้ไหลพอพอพอถามไปเงี้ยปุ๊บมันหยุดมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณสามสินรอบก็เลยรอบนี้ไม่เสียน้ําตาค่ะพระอาจารย์มันนึก <c oughs> แล้วมันก็มันก็หยุดเลยคือลูกอะพยายามจะแบบเอ๊ะตัวผูร้รู้มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ ลูกก็เลยใช้คําถามเวลาที่เกิดอะไรพวกเนี้แล้วลูกก็รู้สึกว่าเวลาที่ถ้าเราอะอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะอยู่กับปัจจุบันแล้วสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ปัจจุบัน่ะมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยลูกเหมือนจะหยุดตอนนี้ก็ฝึกเหมือนกับว่าถามไปถามมันกลับไปแล้วมาจากไหนแล้วลูกก็เลยที่จะมันก็มาจากสัญญาสังขารใช่มคะที่กิดปุุงแต่ได้ค่ะได้ค่ะลูกก็พยายามไปพอเราพอาถามป้อมแล้วก็สังขารที่เกิดปุุงแต่งมา มาถามมาถามในความที่ปรุงแต่งอันนั้นก็เลยหยุดไปค่ะค่ะพรอาจารย์อันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพรอาจารย์ได้ค่ะบานทีเราก็ใช้พูดโทพูดโทก็ได้ข่ะคมันก็มีการันก็หยุดได้เหมือนกันค่ะแล้วมันก็เหลือเหมือนกับว่าก็เข้าสมาธิได้ดีค่ะรอบนี้มันเหมือนกับว่าเข้าได้ง่ายขึ้นเอ่อไปได้เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แต่ก็จะมีพักมีอะไรบ้างบางทีมีโทรศัพท์บ้างค่ะพรอาจารย์เล็กค่ะ ก็มียืดหยุนนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้บอกว่าสเตทตลอดเลยอ่ะเอ่อก็เราอยู่คนเดียวได้ก็ถือว่าเก่งนะอยู่คนเดียวได้กินได้น้อยได้ไม่ไม่ไม่ไม่เสียได้ยกับใครไม่ไปเที่ยวไหนก็ถือว่าค่ะก็มีเล่นกับกวางบ้างค่ะป้าจ่าคุยกับกวางได้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะได้ แล้วแล้วเมื่อเมื่อวานตอนตีห้าค่ะลูกก็ออกไปเดินออกไปเดินเพราะว่าก็กลับว่ารอบเนี้ยมาเราจะตั้งใจออกตีห้าออกไปเดินอะไรเงี้ยค่ะช่วยความมืดใช่ค่ะใชค่ะลูกลูกอยากจะแบบว่าพิชิตความกลัวให้มันแบบหให้มันให้มันหายอ่ะค่ะทีนี้จริงๆเดิมที่กลัวผีอยู่มากเลยที่แบบนอนคนเดียวไม่ได้ไปนอนแต่งที่ไม่ได้เลยอ่ะวันนี้ลูกก็เลยแบบเออเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็อยากจะแบบ อีกอะไรเงย่ะลูกก็ไปเดินจงกรมตรงตรงหน้าทางอะค่ะใกล้ๆที่จอดรถอะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็แบบว่าจามาวานเนี้ยเป็นเ จ, เจอเจอเม่นอะค่ะพระอาจารย์ตัวเบลอร์เลยอะ mm ่ะ hmm. มีเม่นด้วยค่ะ mm hmm. ลูกก็ยืนดูเขาว่านะคือลูกก็ไม่ได้รู้จักว่าสัญชาตญาณเขาอะจะอันตรายแค่ไหนถ้าอยูใกล้ๆกับเราอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่รู้ว่าเขาทําลายคนไหมอะไรเงี้ยลูกก็จะยืนมองว่า เราเดินอยู่เลนเนี้ยแล้วเขาเดินอยู่เลนข้างหน้าตัดเราเนี้ยเขาจะเลี้ยวไหมอ่ะลูกก็คิดว่าเออถ้าเขาตรงไปเลยก็ไม่เป็นไรเราก็จะเดินต่ออะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาเลี้ยวมาค่ะตัวเบลเลอร์เลยค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็ไม่ได้ใจเม่นอะไรเดินเข้ามาหาคนทำไมเม่นเดินเข้ามาหาคนลูกก็ถอยถอยหลังให้มีระยะห่างกับเขาแบบมากๆหน่อยเพราะว่าไม่อยากวิ่งอ่ะค่ะพระอาจารย์กลัวจะเสียกิริยาเกินอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยถอยข้างหางไว้ถอยประมาณสามครั้งนะคะพะอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วเขาก็มาต่ออีกลูกก็ถอยอีกพอเขาครั้งที่สามเขามาต่อโอเคกลับก่อนลูกก็เลยถอยเลยกลับเปิดเลยค่ะพอาจารย์สาวมาลูกไว้ถามว่าที่แน่นด้วยเหรอเพรตัวเขาใหญ่นะคะพระอาจารย์ลูกก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าเราแล้วเขาจะสะบัดขนไหมอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยววิ่ง มันนึกว่าเดี๋ยวขนแทงเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลอีกเป็นเรื่องอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ไม่รู้ว่ากลัวตายหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์เราคงจะไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ออไปก็ได้ถ้าเราไม่ตกใจก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะลูกก็กลัวเสียอาการอยู่ค่ะกลัวแบบเดี๋ยววิ่งไม่ได้ไม่ได้ ไ, ม, ไดม่ควรวิ่งอะไรเงี้ยก็รักษาระยะระยะแล้วก็กใช่บางทีก็ต้องหลบต้องเลี่ยงไปค่ะค่ะก็หันหลังก็ก็หัน ก็แบบตอนที่ถอยหลังอ่ะก็หันมามองข้างหลังด้วยนะคะอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวควจะเหยียบอะไรอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ระวังไปหมดเลยอ่ะก็ยังมีท้องก็ถ้ากำลังมีตัวจะทาไงตองใส่ต้องเลี้ยวเข้าฝั่งต้องหลับตาพุทโธแล้วต้องยืนหลับตาพุทโธเลยหลับตาพุทโธนะคะเออหลับตาพุทโธเลยเจ้ที่เขาบอกว่า เขาหลุดมาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หลุดมาจากอีกที่หนึ่งอะไรแบี้ลูกผูชอท่านเดินจงกรมน้วยเจอจจนเอกัเสือแต่ท่านตายันน้นมีสติท่านก็ใจก็เข้าไปในสมาธิเลยหายไปร่างกายหายไปเสือหายไปหมดไม่รับรู้อะไรอ๋อค่ะพระอาจารย์ลูกคิดถึงอยู่ค่ะพอกลับมาโหเราแค่เจอเม่นนะพระที่ท่านทุดงเข้าไปในป่าแล้วเจอเสือเขาหนักกว่าเราอีกท่านหนักกว่าเราอีกอะไรเงี้ยค่ะลูกก็เลยบอกว่า อืมแล้วก็เลยนึกอยู่อืมผ่านไหมเนี่ยค <c oughs> รับพระอาจารย์ลูกก็ไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวก็กลับไปทาต่อในเรื่องที่ที่ที่ลูกคิดว่าวันรอบเนี้ยลูกได้เพิ่มมาค่ะพระอาจารย์ครับเมตตาเพิ่มเติมลูกได้นะคะว่ามีอะไรแนะนําเพิ่มอีกค่ะก็ทําัดทำต่อไปค่ะที่เรายังไม่ไม่แน่ใจก็ทําให้มันให้มันแน่ใจค่ะพระอาจารย์ ค่ะค่ะนับ ข, ขอนอนุญาน้องค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเอเดี๋ยวไปที่คุณนพิสิทธิ์ น, ะนพิสิทธิ์สกลนคนร้ายหน้าไปหลายอาทิตี่นตะตามธรรมสการพระอาจารย์ครับ ห, หายหน้าไปก็ยังปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ <laughs> ก็ตอนนี้ก็ทําไปถึงเอขั้นตอนตรงที่อทําสติให้ต่อเนื่องนั่นแหละครับพระอาจารย์ ก็ตรงนี้ถ้าทําต่อไปความเข้าใจผมก็คือเมื่อทําต่อไปสติให้ต่อเนื่องเนี่ยอารมณ์มันก็จะค่อยๆคลายลงเรียกว่าเป็นการคลายอารมณ์ในระยะการตามควาเข้า ใ, <ช>ใจผมมคุณเข้าใจตรงหรือเปล่านะใจก็จะว่างขึ้นใจก็จะเบาขึ้นถ้าถ้ามันคลายอารมณ์ลงเต็มที่มันก็จะจิตก็จ ะ, จะเบาจิตเบากายเบาแล้วก็เกิดเกิดความสุขขึ้นทางจิตใช่ตรงนี้แต่ว่ามันยังมันยังไ ม, ม, งไม่มันยังไม่เข้าไปถึงตรงจุดนั้นพอาจารย์มันอยู่ระหว่างกัน ทำสติให้ต่อเนื่องให้เฉ ย, ม, เย ม, มันต่อเนื่องบ้า ง, ม, ง ม, มีต่อเนื่องบ้างแล้วก็วกวต้องนั่งสมาธิต่อครับก็กมาถึงตรงจุดนี้แหละครับ อ, อาจารย์กำลังแกจิกซออยู่ครับ อ, อาจารย์ครับช่วยไปเรื่อยๆงา น, ะ น, นสมาธิให้จิตรวมไม่ไดค้ครับครับครับขอจามาคุณอาจารย์ครับมีจามาแัทที่กลับมาใหม่จามาแัทที่ Who are you you w อ n speak ไม่ผ o ไม่พดเหรอยูเฉยเฉยเลยเขาเปิดกล้องครับมาดูเฉยเครับใครจำได้เหรอนี่ยหน้าตาจาไม่ได้เพลงในเวลาที่ว่าเย่อเป็นคนอื่นหน้าตาแปลงโอเคอยู่ใกล้หน่อยเลยมองโอเคไปที่ปอนปอนใหญ่พูดแล้วครับปอนกับพระอาจารย์ครับไม่มีคําถามทับฟังคนเดียวครับโอเคไปที่ก๊อกก็อันนี้เราเรียไหนก๊อกเนี เออกไม่มากแล้ครับกับค่าจานครับก็มาลัสรังครั บ, มรบออไม่ดีอะไรนะจะได้ไปต่อได้ครับครับโอเคไปที่ปังว่าอะไรสี่ยอยอมอยุดยันยิ้มตับนมัสการเจ้าค่ะนี้มีลูกสาวกลับมาจากเชียงรายเจ้าค่ะเออคือค่ะนงไง คนเดียวมั้ไม่สร้างปัญหาให้แม่นะไม่สร้างเลยโอเคไปอยู่ที่โน่นเขาก็ไม่มีอะไรทําอะเขาก็เลยไปเป็นนักกีฬาอาวุธใหม่เป็นพอกาหญิงก็ก็ดีค่ะไม่ไม่ไม่เราอย่าไปเข้ามาเข้าผักนะอย่าไปอย่าไปยุ่งกับอาบมกนะใบมกนี้เป็นไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใครไม่แต่โทษ ก็เดีย remotely, ๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาลูกสาวไปไปใส่บาตรพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ตัวนก็ทํางานอยู่ที่วัดทั้งวันค่ะก็ได้โอกาสก็ได้ทํางานทั้งธรรมด้วยค่ะ okay. e โอเคครับไปที่ท่านตอบไปเลยนะไอทีุ่ณเ้งวันนี้กุณเงก็มาตัดเทศสฟังธรรมเหมือนกันเอานาประการค่พระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้าชัดเจนค่ะพระอาจารย์ ก็ตอนนี้ก็รู้สึกนะคะในเรื่องของจิตใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าโอปฏิบัติเริ่มปฏิบัติมากขึ้นก็เบามากขึ้นค่ะพอโดนกระทุกมาอแต่ก็มีบ้างนะคะนิดนึงค่ะพระอาจารย์ตกคนใกล้ตัวแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทำข้อสอบไปเป็นการฝึกทําข้อสอบไปง่ายใช่ครับพระอาจารย์ก็คิดว่ามันเป็นข้อสอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมัน โอเคชั่วคราวใช่ไหมครับอาจารย์มี <entered din> สุขมีทุกข์สลับกันไปมีดีมีชั่วสลับกันไปครับอาจารย์แต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าในเรื่องของการสวดมนต์บางทีเนี่ยความคิดมันก็ยังแว็บออกไปอยู่คับพระอาจารย์ก็พยายามเร่งๆก็ยังแว็บออกไปอยู่นั่นหมายถึงว่าเรายังไม่มีสติสติเรายังขาดตอนอยู่ยังไม่ต่อเนื่องตยู่ใช่ไหมครับพระอาจารย์หลวงพ่อเปิบ่อยๆคิดบ่อยๆ ขึนโชว์บ่อยๆค่ะพระอาจารย์เมื่ไปก็คือแบบเอาไปละก็คือกลับมาดึง ก, ก, กลับมาใหม่ดึงกลับมาใหมกลับมาบ่อยๆอย่างนี้งเลยใช่ไหมครับใช่ ๆ, ๆบ่ยอยๆย่ายไปอย้าไยาไปคิดเรื่องนี้ไม่จําเป็นจะต้องคิดค่ะพระอาจารย์ก็แต่คือว่าคือดึงได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็ <มๆ S 2> คิดว่าคงจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปนะคะ พอมาถึงนาตอนนี้ก็คิดว่าไปได้เยอะอยู่คับพระ อ, อาจารย์มันก็เหมือนที่ไปฟังทำของพระ อ, อาจารย์ด้วยเพราะว่าเป็นการเหมือนเราสะสมอาจารย์ฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพระอาจารย์มันก็ต้องมันก็ต้องใช้ความเพียรใช้เวล า, วลาคุ้มล้มไม่ได้สร้างภายในวันเดียวนะใช่ค่ะพระอาจารย์สติก็เหมกันสติไม่ได้สร้างในวันเดียวสตินี่มันใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีเลยใช่ครับพระอาจารย์แบบโหสุดๆเลยรับ ยิ่งในเรื่องของงานเมื่อวานนี้มันมีอะไรที่แบบว่าจนทําให้ตัวเองแบบคือมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเส้นเส้นยาแดงที่เราจะต้องขีดว่าเหมือนเขาขีดเส้นตายให้เราค่ะพระอาจารย์ลุกขึ้นรถมาก็พอดีเอ่ก็คือเพื่อนร่วม ง, งานน้อ ง, องเขาโทมานี่ยังไงลูกค้าเนี่ยคือเขาไม่มาแล้วไม่จบเราก็เวฟมาเกือบชนก็เอ๊ยสติไม่มีนะเนี่ยเราก็คือวางโทรศัพท์ก็ ตั้งสติหนูบอกตรงว่าหนูคิดถึงพระอาจารย์โอช่วยหนูด้วยหนูขับรถเข้าโรตัรมานั่งเย็นๆแล้วก็นั่งตั้งสติสักสิบนาทีมองดูเอกสารมองอะไรหนูก็บอกว่าอ่ะโอเคว่ามันไม่ได้หนูก็จะยอมรับความพ่ายแพ้แต่หนูขอเวลามันจะเหลือเวลาสักเท่าไหร่หนูก็ต้องช่วยถึงที่สุดแต่บางทีแว บ, บขึ้นมาอ่ะจะวิ่งตามเงิอนอะไรหนังหนาอะไรประมาณนี้ครับพระอาจารย์แต่เราก็ต้องทําเพราะว่า เราจะต้องกินต้องใช้ยอยู่แล้วก็ทําเพื่อคนอื่นด้วยก็เลยแบบอตั้งใจเพื่อที่จะได้พูดคุยกันต่อไปแล้วท้ายสุด ก, ก็เหมือนก็เหมือนกับว่าเราเราเหมือนกับว่าเราก็ยอมรับนะคะ ว, ว่าเราจะมีมีแพ้มีชนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือได้กับไม่เสียแต่ท้ายสุดมาได้คะระอาจารย์หนูวอเวลาอีกยี่สินาทีเขาปอ่ามันไม่ได้แล้วนะพอเขา อ่าโอเคโอนเงินมาจองโน่นนี่นั่นหนูก็เออพอเรามานั่งวางล้วไม่อะไรละวางไว้ก่อนมันจะมามันก็มาเองมันจะได้มันก็ได้เองค่ะมันจะได้ก็ได้เองพอเราวางอม่เป็นไรไม่ได้ก็เสียก็แค่นี้อะคะ่ะพระอาจาเดี๋ย่าไปเครียดกับมันอย่ไปทุ่มกับมันค่ะอันนี้ก็ถือว่า ย, ยินดีสันโดดนะฮะยินดีตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีค่ะอาจารย์ ลูกคิดอย่างนั้นพอเราคิดได้แบบเราก็เลยแบบพอโล่โโลงใจก็โล่งขึ้นมา่าโล่งขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คิดนะคะว่าเขาเขาจะเอาหรือไม่อะไรยังไงล <ừ. S 2> ูกก็เฉยเฉยปล่อยนี่มาเอ้าวนี่เอาอะไรประมาณนี้หามภาจารย์ก็เลยบอกอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันก็คือการที่เราจะต้องรู้จักที่จะปล่อยวางเราปอยาดเกินเกินความจริงค่ะ แล้วก็มันจะเป็นยังไงก็แค่ยอมรับความจริงคะพระอาจารย์แล้วก็ว <unt S 2> ได้ไม่ได้ยังไม่รู้เราก็ยอยากพยายามได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีทีนน่สุดเราก็ต้องทำทำหน้าที่ทําเหตุแต่ผลมันจะเกิดหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวใช่ไหมค่ะพระอาจาร ย, ราารย์อันนี้ก็ออยังถือว่ า, เ, าเริ่มเริ่มเริ่มทําใจที่จะไปได้แล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่แล้วรู้จักทํ้าใจนะ คาะพระอาจารย์เอ่อแล้วก็เหมือนโดนโดนกระทบพูดผิดหูเออสามีหน่อยหนึ่ง 3, 2, 1, 1. โอ้โหโดนใส่ว่าเป็นแบบตุบตุบตุบเลยพะอาจารย์หนูก็เลยอืมก็ไม่เป็นไรแต่ก็บอกสาวสาวอารมณ์เราสาวอารมณ์เราแบบแบบวิ่นิดเดียวเองเหรออะไรอย่างเงี้ยแค่นี้แบบโอ้โหใสมาผมแบบรัวรัรัวๆๆเลยแต่ก็เข้าใจครับเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็งานก็คงจะแบบ เครียดนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยก็ช่างมันเถอะหนูก็ว่าอย่างเงี้ยว่าอาจจะเป็นที่ระบายเป็นกระปูนอะไรประมาณนี้ก็ไม่ดีกูถ้าไปโกรธนะถูกต้องนะถ้าไปกดธก็แป้ว่าเราแพ้แล้วเราผิดคแล้วอันนี้หนูก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ว่าใจเราไปถึงขนาดไหนแล้วเพราะว่าออ่หนูคิดว่าในเรื่องของใจเนี่ยโหสําคัญมากๆค่ะพระอาจารย์ถูกต้อง ให้ใจเราอยู่แล้วความร่วมความกรธความหลงไม่ได้นะคราอาจารย์ก็จะพยายามฝึกฝนปฏิบัติต่อไปกับพระอาจารย์อ๋อถ้าพระอาจารย์ไม่มีอะไรแล้วครับอ๋อที่คุณบอกนัทธวุฒต่อเนื่องก็ท่องใกล้ยะมาได้ยังอีกเล่าไหมครับเดี๋ยวไปช่วงสงการับมาครับวันนี้เข้ามาเลยที่ถึงพอดีมีอยู่เวลมีตามเทศฉุกเฉินในธรรมตการอะไรกลับมาเข้ามาสายนิดนึงครับ ก็เจะถามอาจารย์เพ<ช>ื่อที่ฟังที่อาจารย์เคลียอาจารย์ใส่ทิปเรื่องสอบอารมณ์เรื่องข้อสอบไ<ช>อ้กออ็ผมก็เข้าใจว่าเราก็เราพยายามรักษาใจให้เป็นอุเบกขา<ช>ไม่ไปนสนกับอะไรทุกอย่างใช่ครับเอาอย่างเดียวใช่ปัญญาอบรครับคันนี้คันนี้ตัวตัวโลคกับตัวโกรธที่มันดูไม่ขยยากผก็เห็นแต่ว่าไอ้ความหลงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่า คือใช้เอ่อเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงครับไะใช้ไตลเป็นหลักใช่ใช่ใช้ไตรลักแล้วนะถ้าถ้ามันปิดจากไตรลักแล้วก็คือโลกธรรมทั้งหลายก็ดูไตรลักก็ไม่หลงได้เห็นว่ามันเป็นไม่ใช่ไตรลักก็หลงนะครับใช้ตรงนั้นเป็นหลักครับผมได้เห็นว่าลูกลูกเราเป็นลูกเรานี่ยก็หลงนะยังไงาลูกเราไม่ใช่ลูกเรางแต่คนที่มาอยู่ร่วมกันนั่นเอง ครับอ่าต้องเป็นให้เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาให้มีตัวตนตลอดเวลาที่เป็นเด่นน้าลอไปก็ได้เห็นหน้ากายหน้าเด่นน้ําลอยไปได้ไหมอืมครับครับครับกระดูกอาการสามสองดูธาตุสีแล้วก็ต้องเห็นอ่สุภะอะไรที่เข้ามาตลอดให้เห็นตลอดเวลาความตายในร่างกายครับอ่อันนี้ก็จะไม่หลงครับอืมครับก็ดูละเอียดเหมือนกันนะครับแครับสติปัญญาต้องต่ํา กำลังดูว่ามันคือเวลาปฏิบัติมันก็ยุ่งทั้งวันกำลังว่าถ้ามาดูมันก็ดีจะอาจจะได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติเป็นในตัวได้ไหมครั<ช> <ๆ S 1> อย่างห้องที่หมอทำงานก็ไม่ใช่ห้องของหมอต่วันดีคนนี้เขา้ไ ย, ย้ยายาให้ไปอยู่ที่อื่นก็ได้ใช่ครับใช่ครับะใช่ครับลกระทำเราเามืเ่ยัางที่เรามีก็เราไม่ใช่ของเราครับฮะดูเสร็จสล้ก็ไม่ใช่ของเราครับถ้ย่งก็จะไม่ลง ครับได้ครับได้ครับแล้วก็ดูค่อยสังเกตความอยากทำอะไรครับแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาครับสองอย่างครับได้เกิดน้ำเกิดบกเป็นดูเบรคการใช้ตลอดเวลาครับสนุกก็ได้ทุกข์ก็ได้ครับคนด่าก็ได้คนณชมก็ได้ครับได้ครับ เดี๋ยววันวันเสาร์เปิดีิชนที่บ้านวันเดี๋ยวอาจจะ่าไปจากบักบาัรไม่ใช่มันสเร็จนะครับแต่ว่าชวนไปดูไปไปก็อากวนให้เขาให้เขาก็เป็นความอยามกันให้เขาอยากให้เขาก็ได้เขาไปก็ดีไม่ไปก็ดีครับได้ครับเราทาหน้าที่ของเราไปก็แล้วกันหน้าที่ช่วยก็ช่วยก็ไปครับผมครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ เป็นยังไงได้กลับไปอยู่วอร์ธีทำหรือเปล่านี่ยังอยู่เมืองไทยค่ะการนมัสการค่ะพระอาจารย์ยังอยู่เมืองไทยค่ะตอนนี้อยู่ที่ไทยตลอดละค่ะก็ค่ะก็หนูก็อันค่ะยังไม่ย้ายค่ะน่าจะอีกสักสองสมปีค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูก็หนูก็ทางโล่ก็รุ่มๆนอนๆแต่ก็เอาเอามาเป็นแบบเอามาเป็นข้อมูลในการใช้ปฏิบัติธรรมต่อไปค่ะข้อสองบข้อสงเราก็แล้วกัน าาค่ะอาจารย์ค่ะเราต้องทําแบบไม่เครียดทาแบบสบายสบายทําแบบเครียดก็แสดงว่าสอบตก ค, ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะหนูก็อ่านธรรมมาอาตานย์ทุวันค่ะก็ออกมาเตือนตัวเองตลอดเลยค่ะแล้วก็ยังปฏิบัติอยู่เดี๋ยวสงการนี้ก็จะไปจะไปอยู่วัดค่ะแล้วก็หวังว่าเดือนหน้าจะได้ไปกราบอาจารย์นะคะ yeah. ไปอยู่วัดไหนเนี่ย เอาไปไปที่เดิมหาดกับทางภาคเหนือค่ะโอเคสง บ, บดีนะค่พยาพระ อ, อาจารย์ยาค่ะยาวก็ดีะค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะคถ้าลูกเป็นยังไงบ้างนอนแล้วไหร่ค่ารูกสบายดีค่ะนอนแล้วค่ะค่ะเลยได้มีโอกาสเข้ามาค่ะแต่ว่าก็ระลึกถึงพระอาจารย์ตลอดค่ะยังปฏิบัติบูบชาพระอาจารย์อยู่ทุกวันค่ะเี่ยมมาก การบูชาที่ถูกต้องก็คือการปฏิบัติบูชานะค่ะกลกาวขอบคุณค่ะคุณมารตอบ่คุณมาร่สั้นๆหน่อยไม่เกินห้านาทีกล่าหลวงพ่อค่ะแั่ไงขับมั่นอยู่เลยตอนนี้ไม่ได้ข่าวแล้วค่ะนั่งนั่งอยู่ค่ะไป มานครนายกค่ะหลวงพ่อเดี๋ยววันวันนี้หนูไม่มีคําถามค่ะเดี๋ยววันเสาร์จะไปที่เขาอ่ะค่ะหลวงพ่อไปปฏิบัติค่ะไปอยู่กี่วันสองวันนะกับกลับประมาณวันที่สิบสามค่ะน่าจะประมาณห้าวันโอเคอยู่ทวารตลอดเลยเลยค่ะดีดีเาให้ต็มที่เลยนะถ้าหลวงพ่อจัด เต็มที่ค่ะหลวงพ่อโอเคถ้าไ okay. ม่มีอะไรก็ขอไปที่คุณจอยต่อนะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะอจอยวันนี้ก็มาใส่บาตรมาตั้งครอบครเลยใช่ค่ะวันนี้ไปใส่บาตรเออหนูหนูถามไมได้ไหมคะว่าถ้าเร า, าหนูเข้าห้องน้ำเนี้ยหนูฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านธรรมะในห้องน้ำได้ไหมคะได้เออคิดว่ามันไม่ดีหรอไม่ มีฟังมคิดว่ามันไม่น่าได้เลยได้อยู่คือถ้าเราฟังแบบที่ไม่ไม่ถ้าเใส่หูฟังไม่มีใครรู้ก็ได้แต่ถ้ามันเป็นถ้ามีเสียงเนี้ยมันบางทีค่าแต่ว่าเราไม่เคารพเนี้ยแต่ถ้าฟังแบบแนวปฏิบัตินั้นไม่ไม่ไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาทำได้ตลอดเวลาได้ค่ะไปปฏิบัติแต่ในรูปแบบถ้ามันเปิดฟังเสียงเมื่อคนจะนั่ง นั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ฟังสวย ง, งามกว่ามีกับไปนั่งในห้องห้องน้ำทำไปด้วยบางทีเข <c oughs> ้าห้องน้ําดูเฟซก็มีแต่ทำบ้าหนูก็เออเราดูได้ไหมเนี่ยแต่ว่าก็อ่านไปได้ค<ป>ามจริงก็เวลาปฏิบัติมันก็ปฏิบัติตลอดเวลาสติปัญญามันก็ทํางานตลอดเวลากองนั่งก็พิจารณาสุภาพไปก็ได้ ปฏิคูเป็นของที่รับต่ายออกมาจากร่างกายก็พิจารณาเป็นตหนพยายามคิดอยู่ค่ะว่าเราจะเลือกของกินทําไปในเมื่อออกมาก็เหมือนกันหมดเลยนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เขาเรียกเป็นการปฏิบัติธรรมนะค่ะหหนได้ได้เยอะวันนี้ที่หนูที่หนูติดมาหนูก็ฟังที่พระอาจารย์ได้ได้เยอะเลยค่ะเอออย่างไป็นเด็กชอบรูปเซตกินรสของอาหารเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาเหมือนกันหมดนะได้ค่ะเดี๋ยวไปใส่บาตรบรรพาอีกเหมือนเด้มค่ะ โอเคสาธุคุณปิยวัฒน์เชิญคุณปิยวัฒนกลบพระอาจารย์นะครับครานี้ผมมีคาถามเกี่ยวกับการตอนปฏิบัติตอนนั่งสมาธิอะครับใช้อนาปนานสติครานี้โยมเคยได้ยินว่ามันใช้จิตไปผูกกับอารมณ์อารมณ์หนึ่งโยมก็เลยคราวนี้เวลาโยมนั่งแล้วโยมก็โฟกัสที่การหายใจเนี่ยครับแต่ว่าใช้การจินตนาการว่าตอนนี้มันผ่อนคลายมีความสุข ให้อยู่ในอารมณ์ที่แบบเย็นสบายมีความสุขนะครับก็คือจิตนไไัไม่ควรนะถ้าจะดู่งลมให้ดูเฉยเฉไม่ไม่ต้องไปกิ น, นการนาการอ๋อไม่ควรนะครับับเร<ก>ต้องเราทำงานเรานั่งสมาเมื่อยืดหยุดการทำ ง, งานของจิตถ้าเราไม่นั่จินตนาการจิตก็จะไม่แน่นไม่สมดุลโอเคครับผมอห้ดูลมไปเฉยเฉยดูที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกอยู่จุดเดียว ให้นมัวหเขาหลแล้วความนาวหลออกแค่นีออ้พอเพื่อหยุดความที่ปุ่มแตกถ้าเราไปจินตนาการแล้วก็ทำให้จิตปุ่แต่ขึ้นมมันก็จะไม่ได้สมาธิโอเคเข้าใจแล้วครับครับอีกเช<น>อีกข้อนึงนะครับอไอ้คราวนี้พอนั่งไปแล้วคอมันชอบเอียงไปด้านดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจเวลาเริ่มนั่งเราไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องร่างกาย มันจ <Okay. S 2> เอียงมันจะเอียงแล้ก็ปล่อยไันเ อ, เอีย ง, ง, งไปเอียงไปแล้วมีสติอยู่กับการดยนลงไปอย่างเดียวแล้ว <Okay. S 2> โอเคอเมีสองข้อเท่า น, นี้แหละครับอาจารย์ตอนนี้ก็ไปที่คุณลาเพื่อถามคำถามของ Facebook ต่อมีไหมค่ะมีทั้งหมดสามคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ค่ะคำถามแรกจากคุณสุทธิพง์ เราจะต้องชดใช้กรรมจนหมดก่อนถึงจะปฏิบัติทําให้บรรลุหรือเปล่าคะ๋ไม่เรากรรมเราไม่ต้องไปกังวลอ่ะมันถึงเวลามันก็มาเก็บเป็นอกับเราเองเราไม่ต้องถ้ามันไม่มาเก็บเป็นเราก็ไม่ต้องจ่ายบินไปนะที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องวิบากเพราะมันเราไปกำหนดเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะมาเมื่อไหร่มันจะไม่มาเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องของแล้วแต่รอบรอบของมันถ้ามันถึงรอบของมันที่มันจะมามันก็มารอกที่มันยังไม่มามันก็ไม่มา เงของกรมรมก็ไม่ต้องไปสนใจสนใจในเรื่องการปฏิบัติของเราเพียงอย่างเดียวนะคุณถามที่สองจากคุณบิกกี้พอนั่งสมาธิเกิดอาการลมหายใจหายเห็นแสงเกิดดับเกิดดับมีอาการขนลุกทั้งตัวแล้วก็เหมือนเห็นนิมิตครับอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราต้องทําอย่างไรครับให้รู้เฉยๆไปให้นุ่เฉยๆ ถ้ากลับมาดูลมได้ถ้าดูลมได้ก็กลับมาดู ล, ลมลอย่าไปตามรู้อย่างเด่ยวเอาต้องปลุกใจไว้อยู่กับนมอย่างเดียวเช่นก่อถ้าลมหายไปแล้วก็ก็ให้รู้เฉยๆถ้ามีอะไรปรากฏค่ะให้รู้เฉยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งกับสิ่งที่มามาปรากฏไม่ต้องไปตามรู้อันเดียวทุกอย่างมันก็จะหายไปถึงที่เราต้องการในที่สุดก็คือความว่างความสงบถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องใช้สติปลุกใจไว้ คำถามสุดท้ายจากคุณรุ่งอรุณกราบสาทูครับผ้าอาจารย์เริ่มสวดมนต์ต้องทําอย่างไรให้สวดได้นานๆครับก็อย่าหยุดสวดนะสวดไปเื่ลยถ้าหยุดเมื่อไหรนก็ไม่ได้นานเลยสวยดไปเรื่อยๆสวดไปยิ่กว่าจำจำมนต์มหายใจสวดไปเรื่อยๆต้ อ, าอยากจะสวดนานก็สวดไปเรื่อยๆอย่าหยุดโอเคนะั คำถามหมดวเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ที่เราได้มาพบปะกันได้สนทนาธรรมได้คุยกันเข้าว่าว่าคุณจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนล้นำออกไปไปปฏิบัติต่อไปไปต่อยอดการสนทนาธรรมวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านยงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิยินพิจารณาไปปฏิบัติ ก้าวควาสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมได้ยิ่งขึ้นไปเธอ